อาเจริญพรญาติโยมผู้สนใจในธรรมทุกท่านนะ วันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ซึ่งก็ถือว่าเป็นอาทิตย์ต้นในการเข้าพรรษาในปี2554 <c oughs> ซึ่งก็ทางวัดป่าพุทธยานันธารามของเราก็ได้จัด <c oughs> มีการเทศสองธรรมาสนะก็จับเป็นคู่เป็นคู่ผลัดเวียนกันไปทุกอาทิตย์นะตั้งแต่เวลาบ่ายโมงถึง บ่ายสามโมงโดยประมาณซึ่งก็วันนี้อาตมาภาพเป็นพระผู้น้อยนะชื่อจารเดชก็มีอายุพรรษาพรรษานี้เป็นพรรษาที่สิบหกนะวันนี้ก็ได้มีโอกาสขึ้นมาประคับประคองธรรมะของพระพุทธเจ้าพร้อมไปกับญาติโยมนี่แหละกับประเดชพระคุณหลวงพ่อนะ พระมหาดิเรกพุทธยานันโทซึ่งก็เป็นพระเถระผู้ใหญ่ซึ่งก็เป็นเจ้าวาดวัดป่าพุทธยานทารามของเราด้วยซึ่งก็ท่านเป็นพระเถระผู้ใหญ่ที่ทรงธรรมนะแล้วก็มีเมตตาด้วยนะเมตตามีหลักฐานนะที่พูดนี่คือมีลูกศิษย์มาคนหนึ่งอยากจะรู้ว่า อาตมาเนี่ยมาจำรรษายอยู่ที่อเมริกาวัดไหนเขาก็เสิร์ชหานะในทางอินเทอร์เน็ตพอดีไปเข้าเว็บไซต์ของวัดเราเนยะพุทธยานทารามเนี่ยก็ไปเห็นรูปของหลวงพ่อแล้วนะในหน้าเว็บแล้วก็โทรมาบอกว่าโอโหนี่อาจารย์องค์นี้นี่ดูหน้าตาเมตตามากก็อย่างนั้นนะเออ อยู่ที่ไหนจำบรรษาอยู่ที่ไหนก็จะบอกว่าตอนนี้อยู่ที่เมืองไทยตอนนั้นหลวงพอ่อยังไม่มาบอกว่าอยู่ที่วัดถ้ำแสงเทียนที่ชัยภูมินะเขาก็บอกว่าเดี๋ยววันไหนมีเวลาแล้วจะไปขอกราบสักครั้งหนึ่งว่าอย่างนั้นนะอันนี้เป็นหลักฐานที่อ้างอิงว่าหลวงพอ่อเราเนี่เป็นคนที่มีเมตตานะวันนี้ก็มีโอกาสได้มาเรียกว่า เทศสองธรรมาทุร่วมกับท่านก็ถือว่าเป็นบุญนะก็ะสบายใจไปหลายเรื่องพระป่ากรติดไปแล้วละยี่สิบเหรียญมืกันยี่สิบก้อนก็ <c oughs> <c oughs> สบายใจไปแล้วนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เราทั้งสองก็จะพากันประคับประคองส่วนว่าจะเทศเรื่องอะไรแล้วก็มีความเป็นมาอย่างไรเกี่ยวกับวัดกับวาของเรานะี่ยก็ ขอกราบอาราธนานิมน์ประเดชพระคุณหลวงพ่อได้ชี้แจงแถลงไขแล้วก็ขับเคลื่อนธรรมะประคับประคองธรรมะขององค์สมเด็จพระศาสดาให้กับญาติโยมโดยการประคับประคองไปพร้อมกันขอกราบอาราธนาทิมนกราบหลวงพ่อตอนนี้เลยครับขอะฮะวะโตอระหะโตส ม, มาสัมพุทสสะ สุขโขปุญญาสุจยโยสุขาสังษสสามคีตี <c oughs> ก็ได้รับนิมนต์จากอาจารย์เผยเดชก็ขอโมทนาสาธุญาิโยมทุกทุกท่านที่มานั่งเป็นผู้รับเอาบุญเอธรรมเทศนาท่านี้ก็ ได้ฟังพระอาจารย์พรเดชบอกว่าเชาืา่อมาเจอหลวงพอมีเมตตาแต่บังเอิญการเทศผมติดอันนั้นไปแล้วงั้นจะให้อีกยี่สิบาทมาย่อตัวนี้ไม่ได้สละไว้เรียบร้อยละ ก็เป็นธรรมเนียมเนาะการเทศสองธรรมาะก็มีการบอกสกรารมีการแนะนําตัวเองอันนี้รักษาธรรมเนียมเก่าเอาไว้นะโยมนะคเมื่อก่อนคือความจริงก็คือศูนย์นาธรรมนั่นเองแต่ทําไมต้องมีอันนี้ท่าบอกรักษาประเพณีเอาไว้มีการบอกสกสารมีการตั้งนโมะอะไรตามธรรมเนียมเก่าของเขาเราคิดว่าเราจะอสืบทอดธรรมเนียมมีการบอกสกสารบอกว่าวันนี้วันที่เท่าใดเวลาผ่านไปเท่าไรวันอะไร ให้โยมได้ระ ล, ลึกว่าวันนี้เป็นวันควรแก่การฟังธรรมควจริงเรื่องที่จะพูดกันวันเนี้ยเป็นเรื่องที่เราสวดกันบ่อยๆคือเรื่องพาหหงษนะคนจริงเป็นบทสารพันธุ์ด้วยนะโยมโยมปานโยมปานเคยสวดสารพันธุ์พาะหงโมโชคดีนะวันนี้ได้ยินครั้งแรกเลย <c oughs> <c oughs> ชินชินชอ น, น ก, ก็จะเนี่ยนำมากล่าวทีนี้วันนี้อาจารย์ไฟเดชทําไมเอาเรื่องนี้มาคุยกันนะเรื่องของพระหุงษ์นะญาโยมก็ซูดจับ ก, กันดีแล้ว นะแล้วภรษาเนี้ยเอาเรื่องนี้มาปรโลบนะ่ะแล้วก็อมีความสำคัญอย่างไรอาจารย์พเดชเอาเรื่องพระหงษ์มาพูดตันนี้กราบหลวงพ่อก็เรื่องพระหงษ์นี่ก็เป็นเป็นบทสวดที่เรียกว่าพูดง่ายๆก็เป็นบทชนะมาร น, นะครับเป็นบทชนะมารซึ่งก็มีมาแต่ก่อนแล้วแหละแต่ว่า ยังไม่แน่ชัดว่าแต่งขึ้นในยุคไหนนะเพราะว่าในในบางตำราเนี่ยเขาก็บอกว่าแต่งขึ้นที่ประเทศลังกาในบางตำราก็บอกว่าเกิดขึ้นในประเทศไทยนะเพราะฉะนั้นจะสรุปไม่ได้แต่ก็จะพูดให้ฟังนิดนึงตามที่ตำราเขามีมานะส่วนเรื่องของพาหงครับหลวงพ่อก็เป็นเรื่องของ บทสวดที่เราสวดกันตอนที่ใส่บาทนะภาหงสหัสสมพินิมิติสาพุธันตังซึ่งเป็นบทคาถาชนะมารที่พระพุทธเจ้าผจะแปดครั้งนะแปดหัวข้อโดยข้อที่หนึ่งนี่ก็การชนะวะสวัตีมารตอนใกล้ตัสรูนะตอนที่สองนี่ก็ชนะ อ, อ, อารวะกะยักษ ส่วนตอนที่สามนี่ก็ชนะช้างนาลาคิรีซึ่งเป็นช้างตกมันาที่พระเทวทัตต่อยมาเพื่อจะฆ่าพระพุทธเจ้าแล้วก็ครั้งที่สี่นี่กษณ ะ, ะจอมโจรองค์คุลิมานที่ตอนนั้นมีนิ้วมืออยู่ที่คอเก้าร้อเก้าสิบเก้านิ้วแล้วก็จะฆ่ามัรดาตนเองพระพุทธเจ้าก็ไปช่วยไว้นะแล้วก็ตอนที่ห้าก็ชนะ านางจินจมานวิกาซึ่งกล่าวตู่พระพุทธเจ้าคาถาที่หกนี่ก็สะนะสัจจนิครนคาถาที่เจ็ดก็ชนะนันโทปนันทะนาคราชแล้วก็คาถาที่ 8. แปดแปดนี่ก็ชนะเท้าปากาพมผว่ครับเป็นคาถาแปดบทแปดบทนะนะทีนี้ไอ้ <c oughs> ทั้งหมดเนี่ยอันไหนที่พระพุทธเจ้าชนะตอน แตสรู้แล้วอันไหนที่ไม่ได้แตสรู้ฟังดููเหมือ น, นว่าตอนที่เอาชนะ อ, อ, อ, อันที่สองเนี่ยพยาอาราวะกยักษ์เนี่ยตอนนี้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วใช่ไหมอาราวะไกยักษ์นี่ตอนนี้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วอ๋อแสดงว่าตอนที่อันแรกที่ว่าพ่อหงษ์นี่ยังไม่ชนะเลย ยังครับเพราะว่ายังยังไม่ยังไม่ตัดสู่เลยนะยังไม่ตัดสูครับอ๋อเห็นไหมผ้าหุงทั่วไปฟังว่าเวลาพระขึ้นพระงเอาใส่ข้าวเมื่อก่อนหงเข้าใจว่าอ๋อนี่พ้าหุงข้าวแล้วโยมก็เอาข้าวมาใช่วานเลยก็เป็นองพ้าหุงข้าวแบบนี้เองอ่ะหุงส์ไม่กี่นาทีข้าวเต็มบาทเลยนะก็นึกตามภาษาเด็กนะเอาพระเขาบอกพ้าหงส์พระหงส์นะแล้วก็กินข้าวพระที่วัดว่าผ้าหุงข้าวโอ เป็นว่าอย่างนี้พระหงุ่นแปลว่ามากเนาะไม่ได้แปลว่าเข้าหงใช่ไหมไม่ได้แปลว่าเข้าหง <laughs> คือคือเขา <laughs> เขาแปลไว้อย่างนี้นะโยมต้องแปลไว้ก่อ น, นว่าพระจอมุนีได้ชนะพยามานผู้นิรมิตแขนตั้งพันเนี่ยพระหูพระหงษศาสมะเนี่ยแปลว่าแขนตั้งพัน <h ums> ถืออาวุธครบมือขี่โคดชสาร ขีเมก้ลขี่ช้างเลยนะชื่อขีเมกละเนี่ยพร้อมด้วยเสยนามารโหร้องกึกข้องด้วยธรรมวิธีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งชัยมงคล น, นี้มงคล น, นี้ชยัยขอชัยชนะจึงมีแก่ท่านนั่นหมายของว่าเท้ า, าพญามารที่ว่าวัศวรีมารเนี่ยมารนิสเดีเกิดมาก่อนพุทธเจ้าใช่ไหมครับผม โอ้โห و, น่าจะเกิดเป็นมารมากกว่านะเกิดพระริเจา้านี่ยื้อายุไม่เท่าม้ามานี่ยื้อายุเยอะเลยเกินนะ่ะมานี่ถ้าเกิดตั้งแต่เมื่อไรอาจารย์มานนี่ก็นับตั้งแต่โลกเกิดก็มีมานเลยโอครับนะแล้วมานนี่ก็จะคลองโลกนะมานคลองโลกโอ้โหพราะพุทธเจ้ามาเกิดอยู่ในโลกก็ต้องผ่านมานไปซะก่อนถึงจะบรรลุหรือว่า ตัดนุเป็นพระพุทธเจ้าแสดงว่าเป็นมานี่ดีกว่าเพราะมานไม่รู้จักตายใช่ไหมครับพระพุทธเจ้ามานไม่รู้จักตายเออแล้วพ่อก็พูดมานไม่รู้จักตายใช่ไหมเพราะว่าพระพุทธเจ้าเองก็ไม่ได้ฆ่ามานนะฮะไม่ได้ฆ่ามานเพียงแต่ตอนปริญนิพพานก็ทําตามคําอราธนาของของมานอ๋อเป็นผู้ชนะเฉยๆแต่ไม่ได้ฆ่าไม่ได้ฆ่าชนะหมายคำว่า เราจะทำสิ่งใดแล้วมานขวางไว้แต่เราก็ทำสิ่งนั้นสำเร็จ<อ>กลายเป็นชนะเด<ธ>็ทีนีไ้ไอ้เท้าระยเท้าวัวสดีมานวัสดมานเนี่ยวัวดีมานนะครับที่มาเป็นหัวหน้ามานใหญ่เลยใช่ไหมครั บ, รบทีนี้มานในมันมีสองรูปแบบมานทางกายเขาว่ามาละนี่แปลว่าแปลว่าอะไรครับ อันนี้ผมสัญญาน้อยแต่ถ้าเข้าใจเอาเองก็คิดว่าตายนะครับมาจากคำมรณะใช่ไมรณะครับมละเป็นว่าตายครับอ๋อคืออย่างนี้ทายมคําว่ามานเนี่ยมาจากคำมละธาตุนะพอลงอัจปจัยเนี่ยมันกลายเป็นมาละต้องทีค้าตรงสันอานเป็นมานแต่พอลงหน้าปัจจัยนี่เหลวมละไว้เป็นมรณะแต่ถ้าหากว่าลงอับปจัยเนี่ยเป็นมาละเอาหน้ออกไปคือคําเดียวกันมมระเรีว่าแป็นว่าขม อะ oh. <laughs> ละไม่ใช่อาทานอยู่ <laughs> มันร่าไปว่าขมแหละ uh, อันไหนก็ต<ข>ามเนี่ยทําให้จิตใจเราขมขื่นนะ mm hmm. นั่นเรียกว่ามานครับ oh. เราจึงมา mm hmm. ตั้งชื่อผลไม้ว่ามระมันทําให้ขมขื่นนะอันนี้ที่มาที่ไปนะ mm hmm. สมเหตุสมผลไหมสมนะ <laughs> มีที่ไปที่มานะ่ mm hmm. แต่ทีนี้ทําไมเท้าวัดสวัสดิมานเนี่ยเป็นพยามารใช่ไหมฮะ ครับเป็นพญ า, ามารอันนี้ต้องต้องเล่าแต่ต้นก่อนนะครับต้องต้องเล่าแต่ต้นก่อนว่ารเรื่องเป็นมาอย่างไรนะครับนะพันธุ์มุนครับก็ตอนตอนแรกที่พระพุทธองค์เนี่ยออกออกปรวัตก่อนจะจะตาจะตัดสรุนี่ก็หปีหกปีพอวันเพ็ญเดือนหกนะอ่าตอนพบค่ำละใกล้จะมืดอย่างเงี้ยพอใกล้จะมืดแล้วพระพุทธองค์ก็จะ ตัดสลูเลยนั่งแท่นบรรลังเรียกว่าแทนบรรลังนะเป็นแทนบรรลังเพชรเรียกว่ารัตนาบรรลังรัตตนาก็คือแปลว่าเพชรแทนเพชรคือใจเพชรนั่นเองซึ่งอธิษฐานว่าถ้าเนื้อเลือดเอ็นกระดูกของเราเนี่ยจะเกิดแห้งไปก็ตามถ้าไม่ได้ตัดสลูเป็นพระสัมมาสัมโพพุทธเจ้านี่จะไม่ลุกจากที่นีน่นะเพราะตั้งจิตอธิษฐานอย่างแน่แน่อย่างนี้เลยถึงได้ชื่อว่ารัตนาบรรลังซึ่งก็แปลว่าเพชร ทีนี้พญามารเนี่ยก็คิดเลย ว, ว่าเนี่ยส ม, มณะโคโดมนี่จะตัดสลุเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเพราะฉะนั้นจะพ้นจากอำนาจของเราก็เลยไปเกณฑ์ดาวบริวารทาตมาเพื่อกำจัดส ม, มณะโคโดมไม่ให้ได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณหรือว่าไม่ให้พ้นไปจากอำนาจของตนหรือตนจะสั่งยังไงก็ได้อะไรประมาณนี้นะ ทีนี้พอทำอาวุธเข้าใส่พระพุทธเจ้าหวังจะสังหารณตอนนั้นเป็นสมณะโคดมอยู่อาวุธนันก็กลายเป็นฉัดไปกั้นให้พระพุทธองค์แล้วก็กลายเป็นดอกไม้ไปบูชามารทำอะไรก็ทำไม่ได้ก็เลยมีความคิดว่าโอ้โหนี่จะทำอย่างไรเนอถึงจะกาจัดได้จนกระทั่งว่าทำอะไรไม่ได้แล้วก็เลย ลองตู่พระพุทธเจ้าว่ารัตตนะบรรลังที่สมณะโคดมนั่งอยู่นั้นไม่ใช่ของท่านเป็นรัตตนะบรรลังของเราตู่อย่างนี้ครับหลวงพ่อครับไปตู่เพราะตู่สมณะโคดมตอนนั้นแหละสมณะโคดมถึงต้องใช้บารมีทั้งสิทธัตที่ได้สั่งสมมาเป็นสี่สงไขยกำไรเส้นกับ แล้วก็อ้างถึงแม่ธรณีเป็นสักขีพยานโดยใช้พระหัตถ์ด้านขวาชี้ลงไปที่แผ่นดินน้นบาบอกว่าบารมีที่เราสร้างมาแล้วอขอจงมาปกปักรักษาคุ้มครองในการที่เราจะตัดสูุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่าให้สิ่งใดมารบกวนเหตุนั้นแหละนางธรณีจึง แปลงร่างเป็นหญิงสาวแล้วก็ปากฏขึ้นมาแล้วก็เลีดน้ำออกจากมวยผมเป็นน้ำปาไหลหลากมาพัดพาพวกมานทั้งหมดสวตดีมานกับบริวาร น, นี่ไปหมดสิ้นเลยครับพ่อครับทีนี้พอถึงตอนนี้ผมสงสัยอีกผมขอถามหลวงพ่อว่าไอ้น้ำที่มาจากมวยผมของนางธรณีนี่อ่า มีมีเหตุมาอย่างไรครับถึงถึงเกิดอย่างนั้นมาได้ในการบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ผมเคยฝรั่งว่าคือตอนนั้ น, นอ่ะโยมอุไทยของเราเนี่ยพาแฟนมามามาถวายสังฆทานที่ไหวสังฆทานอุทิศสุญศูนยนให้กับพ่อแม่ของเขาที่ตอนตรวจน้ำเนี่ย ทีนี้ผมก็พอพูดฝรั่งได้บ้างบอกว่าอธรรมเนียมไทยของเราเนี่ยแต่ก่อนทําบุญทุกครั้งมีมการตรวจน้ําเพราะว่าน้ําที่ตรวจเนี่ยมันจะได้เป็นสัขีพยานให้เราว่าเราได้สั่งสมทานบา ร, รมีมาผมก็โยงไปอย่างที่ว่านะว่าพระพุทธเจา้าเนี่ยบาําเพนบา ร, รมีมาเสียสูงไข่แสนกับเนี่ยตลอดบํางเพนบา ร, รมีเนี่ยทุกครั้งที่พระองค์ทําบุญทําทานทําดีแล้วก็มีการตรวจน้ํา นะแล้วก็น้ำที่ท่านตรวจมาทุกพบทุกชาติเนี่ยได้ลกลายมาเป็นไอ้ตัวน้ำที่เมทัลลีบีบมวยผมอะ่ะเป็นรวมกันตรงนั้นก็ไหลออกมาเหมือนกับ น, น้ำโขงน้ำน้ำเจ้าพยาทำลายมานจนหมดเลย ทีนี้ไอ้ผมก็ตั้งตัวไม่ทันพูดไปเรื่อยๆนะฝรั่งก็ถามเข้ามากางคันเลยเอ๋อก็หมายความว่าพระพุทธเจ้าของอยูนี่ เ, เป็นพระพุทธเจ้าได้เพราะข่าพระยามาดีไหมเพราะป่าพระยามาดีไหมแล้วก็ป่าไม่ไหวก็ไอ้ไม่ทีนี้ก็เครืงทีนี้ขึ้นมาช่วยทีนี้ก็ขึ้นมาช่วย <c oughs> นแสดงว่าพระพุทธเจ้าของอยูไม่ได้เก่งอะไรนะ จากป่าพญามารก็ต้องให้คนอื่นมาช่วยเนี่ยอยโอ้โหผมเบื่อในข้อจบนี้ผมงงเล ย, เอยลาาไอระไมฝลังคิด <c oughs> <c oughs> แปลกๆนะจะออกยังไงทีเนี้ยโอ้โหเขาถามแล้วผมมากนะอามากก็เผลอพูดไปไม่ใช่พูดนะว่าตามตาําราเนอะแต่เนื่องจากว่าวิปัสสนาเนี่ยไม่จนปัญญาไม่จนปัญญาบอกว่าอมมาก็เลยแก้บอกว่านี่นะที่ว่าพระพุทธเจ้า ได้ตรวจน้ําทุกพบได้บําเพ็ญคุณงามความดีมาแล้วมีการตรวจน้ําเนี่ยก็หมายว่าทุกครั้งเนี่ยถ้าเราทําคุณงามความดีด้วยน้ําใจเนี่ยมันจะขอให้เกิดปัญญาแต่ถ้าคุณทําความดีแบบไม่มีไม่มีใจไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีใจที่จะทํำนะทำแบบความดีแบบจําใจอ่นะแตบบ่ทําอย่างเสียไม่ได้เพราะเขาชนทำํำบงังเพราะเขาลุ้นให้ทำบงังเพราะเขาโพลโฆษณาไม่ได้มาจากความตั้งใจของตัวเองไ อ, อ, อตัว ไอ้ความที่เราทําด้วยความไม่เต็มใจเนี่ยตรงนั้นไม่มีน้ําคือว่าไม่มีน้ําใจเพราะฉะนั้นคําว่าน้ําในที่นั้นเป็นเขาว่าเป็นซูมุริกอ่าเป็นตัวแทนของตัวปัญญาเนื่องจากตัวปัญญาจะเป็นนามมาทําใช่ไหมที่ท่านไม่รู้จะเอาอะไรมาเป็นแทนก็เอาน้ําเนี่ยม า, มาเป็นตัวแทนเพื่อนามาทําแล้วไม่โทรณีอ่าไม่โทรณีแหละไม่ธรณีหมายถึงว่าธรณีแปลว่าอะไรถามเขานะ ตล ว, ว่าเอดเอดกอร์ดสไม่เถนีแปลว่อดเอดเนี่ยมีความเข้มแข็งมีความอดทนใช่ไหมคุณจะไปขุดคุณจะไปเผาคุณจะเอาไปฝังเนะี่ยไม่ธรณีรับได้หมดถ้าคุณจะเปรียบคนสักคนหนึ่งที่เขารับได้ทุกอย่างที่เขาถูกกระทบทุกวันทุกวันนะ่ะแล้วเขาทนได้เนี่ยถ้าคุณจะเปรียบเพียบเอคุณงามไอ้ข้อธรรมอันนี้นสักข้อหนึ่งจะเปรียบแผ่นดินเหมือนอะไรข้อแบบมีต้องเพชรโน่นเงี้ยนะเพชรแปลว่าอะไร ก็อดทนใช่ไหมก็คือขันติขันติบามีนะเพราะนั้นคนไหนก็ตามถ้าหากว่ามีความอดทนว่าคุณเนี่ยอยู่ในครอบในครัวเดี๋ยวลูกพูดอย่างนั้นเดี๋ยวเมียพูดอย่างนี้เดี๋ยวพ่อพูดอย่างเดี๋ยวแม่พูดอย่างนี้เดี๋ยวคนเพื่อนพูดอย่างเดี๋ยวเมียพูดอย่างนี้เดี๋ยวเพื่อนบ้านพูดอย่างเงี้ยคุณทนได้เนี่ยแสดงว่าคุณมีความอดทนใช่ไหมนี้ถ้าหากว่าคุณอดทนไปทุกวันทุกวันแต่ว่าคุณไม่มีน้ําเนี่ย แม่ธรณีเกิดแม่ธรณีบีมวยผมไม่มีน้ําเนี่ยจะปราบมารได้ไหมฉันใดก็ดีถ้าคุณมีความอดทนในลักษณะอดทนแบบไม่มีปัญญาเขาเรียกเก็บกดนะถ้าคุณเก็บกดไปทุกวันทุกวันไอสิ่งที่เขาว่ามาคุณกดกดกไว้เนี่ยวันหนึ่งคุณก็ต้องเป็นโรคหัวใจเป็นโรคประสาทเพราะไอมันเกิดความดันขึ้นมานั่นเขาเรียกเก็บกดแต่คุณมีน้ําอย่างคุณมาเนี่ยคุณไม่ได้มาด้วยปัญญาคุณชวนมานะแต่คุณมาด้วยน้ําใจใช่ไหม ในการที่อดทนด้วยแล้วก็มีปัญญาคือหาในขณะอดทนเขาว่ามาเขาดา่ามาเขาตามหนินิทานมาต้องมาสํารวจตัวเองว่าจริงหรือเปล่าถ้าจริงตัวเองก็แก้ไขตัวเองแต่ถ้ามันไม่จริงเ่ยถ้ามันไม่จริงก็คุณมันมั น, มนไม่ต้องไปให้ความสาคัญอะไรว่าเออในสนิ่งนะั้นไม่จริงคุณก็ปล่อยวางลักษณะที่คุณพิจารณาแล้วปล่อยวางได้เนี่ยลักษณะนี้เรียกว่าคุณมีปัญญาอันเกิดจากที่คุณทําบุญ ด, ด้วยน้ําใจ ไปเอามาเอาตัวรอดเลยครับโอโอเวลี่วันเดอร์ฟูลเป็นศาธธรรมก็ได้เรียกว่าเป็นปิศาธธรรมทั้งหมดนี่นะภาษาของพุทธเจ้ามีสองภาษาครับที่หลวงพ่อพุทธทาสว่าภาษาคนภาษาธรรมถ้าหาเป็นภาษานั้นเขาเรียกภาษาสมมุติกับภาษาปรมตเพราะฉะนั้นพุทธประวัตินี่นะส่วนใหญ่จะเป็นภาษาธรรมครับแต่ถ้าว่าเป็นสิทธัทธาประวัติเป็นภาษาคน หมายความประวัติของผู้ที่เจ้าจนจนจนจนถึงก่อนจะรู้นเนี่ยเป็นภาษาคนหมายความว่ า, ต า, วาตามเนื้อนั้นหมดเลยแต่หลังจากที่บรรลุทำแล้วเนี่ยผู้ที่เจ้าเป็นภาษาธรรมหมายความว่าสิ่งไหนที่พระองค์ตรัสพูดถึงเรื่องของมารเนี่ยก็เรื่องนี้มันจะลึกไปนะลึใช่ไหม <c oughs> ท่านถามเลยเฉพาะว่าน้ําออกมาจากวอผมมายัางไรใช่ไหม <c oughs> น้ำวยผมผมแก้ไขแค่นี้พอก็สรุปว่าน้ำธรณีก็เหมือนกับว่า ทำบนครั้งหนึ่งกวดน้ําครั้งหนึ่งก็ฝากนางธรณีไว้นะเป็นบารมีหลายแสนกับพอถึงตอนนั้นจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าเราเก่งนะไม่ได้ให้นางธรณีช่วยหรอกแต่ว่าด้วยบุญกุศลที่ทํามานั้นนะ่ะนางธรณีนี่ก็เมื่อเห็นดังนั้นก็ออกมาเหมือนกับว่ า, าทําหน้าที่ของตนเองอทําหน้าที่ของตนเองคือปกป้องเพื่อให้พระพุทธองค์เนี่ ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องไปเบียดเบียนมานใหอ้อะไรเวียนหัวหรือว่าเจ็บคอเจ็บเอวอะไรีมันเป็นการเบียดเบียนก็เลยเป็นหน้าที่ของนานธรณีไปนะพระพุทธเจ้าก็ได้ชนะตอนนี้ยังไม่ได้ตัดสรู้นะครับหลวงพ่อครับ uh huh. ตอนนี้เมื่อเมื่อมานพ่ายแพ้ไปแล้วตะวันพบค่ำบอดีตกนะ uh huh. เรียกว่าสันซันเส็นะสันเซ็นะเซบพดี หลังจากนั้นแหละพระพุทธเจ้าจึงเริ่มเข้าสมาธิตัดสรุปสามยามคือจากหโมงเย็นถึงสีทุ่มยามหนึ่งยามสองก็สี่ทุ่มถึงตีสองยามสามก็ตีสอง 2, ถึง6มงเชา้านั่นแหละจึงได้ตัดสรุแต่พอพูดถึงตอนนี้นึกถึงคำว่าบารมีครับหลวงพ่อครับบารมีสิทัทน์ที่สั่งสมมาหลายแสนกับแล้วมาใช้ตอนที่จะตัดสรุนี่ โดยมากแล้วใช้บารมีตัวไหนครับมากที่สุดตอนที่จะตัดสู่ตอนนี้เราพูดถึงว่าออตอนที่บารมีมีสิบตัวช่มีสิบทักษมีสิบครับมีอะไรบ้างนะทานเศีษศีนนนเนคขมะเนคขมะสัจจะสีแล้วอธิษฐานห้า <5. S 1> วิริยะ <6 S 1> ขันติเจ็ดเมตตาแปดหแล้วก็ปัญญาปัญญาเก้าเวขาเวขาสิบเกือบจะไม่ครบนอยนจบถ้ทำวน <laughs> ต้องไล่เียรบลมีสิา้าทีนี้ถ้าหากจะเปรียบแม่ธรณีเนี่ย เ, เป็น เ, เป็นขันติบาลมีใช่ไหมเป็นปิศาธรรมเป็นปิศาธรรมก็ได้กขันติคนที่มีจิตใจรับได้ทุกอย่าง แต่ว่าเหมือนแผ่นดินอันนั้นเป็นขันติบารมีใช่ไหมไอการที่มีความอดทนทุกอย่างแล้วอดทนแบบไม่ใช้สมองเนี่ยเขาเรียกว่ามีแต่แม่ท่านีแต่ว่าไม่น้ํำมือมือผมไม่มีแต่ว่าอดทนด้วยใช้สมองด้วยใช้สติปัญญาด้วยนั้นถึงน้ําถึงจะมีมวยผมหมายความว่าคนเราจะมีปัญญาก็ใช้หัวคิดใช่ไหม ไอการบีบมวยผมเนี่ยผมแต่ละเส้นหมายถึงตัวปัญญานะครับเป็นตัวแทนปัญญาต้องต้องพิจารณาเอ๊ะเขาว่าเราเพราะอะไระพิจารณาอ๋อเขาว่าเราก็เห็นเหตุเห็นผลแล้วก็ปล่อยวางอ๋อเขาว่าเราเพราะเหตุ น, นี้ก็ยอมรับความจรงิงใช่ไหมแต่ละคนที่รู้ว่าเขาว่าตัวเองขี้เกียจนี้เนี่ยเป็นคนขี้เกียจแล้วก็ไม่ยอมรับความจรงิงคนนี้ไม่มีปัญญาครับคนที่มีปัญญาจะยอมรับความจรงิงอืมแต่ส่วนใหญ่แล้วเขาหาว่านะแต่ว่าผมขี้เกียจจริงจริงอ่ย เรื่ผมยอมรับผมจะแก้ไขเองอันนี้ไม่ค่อยมีนะเขาหาว่าผมขี้เกียจเขาก็เลยไม่เอาผมเป็นลูกเขยนะทั้งยังก็เลยว่าคือตตรงนี้เขาเรียกว่าไม่มีปัญญาคนมีปัญญาจะยอมรับความจริงครับแต่คนที่แก้ตัวเรื่อยๆนี่คนไม่มีปัญญาตัวนี้ก็จะไม่มีมวยผมนะครับเพราะฉะนั้นตัวปัญญาตัวนี้เกิดขึ้นจากอะไรความอดทนนี้เกิดขึ้นจากอะไรคนเราที่จะอดทนเนี่ยที่ท่านกล่าวมาเมื่อกี้ว่าการที่จะอดทนมันแผ่นดินที่จะหนาขึ้นเนี่ย มันหนาขึ้นทันทีหรือมันหนาขึ้นทีละนิดรีรับทีละนิดครับหนาได้อะไรหนาได้การแผดเผาของกิเลสอ่าใช่ไหมแล้วอ ย, อย่างเวลาท่านไปทํางานเนี่ยความร้อนก็เผาใช่ไหมครับผมร้อนก็ร้อนหนักก็หนักเหนื่อยก็เหนื่อยเมื่อยก็เมื่อยคนจึงไม่อยากจะทํางานเลยขี้เกยียจเพราะอะไรเพราะมันถูกอะไรเผาครับ กิเลสเผาคูกิเมันเผาถ้าเผาแล้วทนไม่ได้เลิกงานแล้วไม่ทํางานต่อไม่อดทนคนนั้นเรียกว่าความอดทนไม่มีไม่มีความอดทนไม่มีขันติเอา้าไม่มีขันติเพราะนั้นขันติมันจะเริ่มจากความทุกข์ทีล่นนิดเล่ความทุกข์แล้วก็ทนได้นะแต่และทุกข์เราแก้ไขทุกข์นั้นตรงนั้นมันมีน้ําแต่ถ้าความทุกข์เกิดขึ้นแล้วทนทนท น, ทนไว้โดยที่ไม่ยอมแก้ไขตรงนี้เขาเรียก ว, ว่า ไม่มีน้ำอดทนมีแต่แผ่นดินแต่ว่ามีน้ำแต่คนไหนมีความอดทนด้วยมีปัญญาด้วยคนนั้นมีทั้งน้ำและทั้งดินถ้าน้ำดินมาผสมกันเกิดความอะไรครับชุ่มชืน้นเกิความชุ่มชื้นใช่ไหมครับเ ค, ความชุ่มชื้นตัวนี้ก็ขอให้เกิดความองอกงามใช่ไหมครับออเอาอะไรไปปลูกก็ขึ้น<ๆ>ถ้าคนไหนมีความอดทนด้วยมีปัญญาด้วย<ๆ>จะปลูกคุณธรรมันไหนก็จเจริญครับ แต่บางทีไม่ต้องปลุกนะยากมันขึ้นเองนะ <c oughs> อ่ามันก็ว่าคนไหนที่มีความอดทนด้วยมีปัญญาด้วยคุณธรรมมันจเจริญเองแต่ถ้าปฏิบัติอีกสักหน่อยหนึ่งก็ถ้าคนไหนจะรักษาศีลก็ยังมีคุณธรรมสองตัวนี้คนไหนจะทําสมาธิก็ต้องมีคุณธรรมสองตัวนี้คนไหนจะเจริญปัญญาก็ต้องมีคุณธรรมสองตัวนี้นะเพราะฉะนั้นคืว่าขันติบารมีแต่ผมติดใจยอยู่นิดหนึ่งที่อาจารย์บอกว่าพระพุทธเจ้า ท่านชนะมาอยู่บนบาลังรัตนบรลังรัตนาบรลังคือบาลังเพชรนะะบาลังเพชรที่เกิดขึ้นได้อย่างไรครับบรลังเพชรนี่เขาบอกว่ามีบรลังเดียวในโลกแล้วก็มีที่เดียวพระพุทธเจ้านี่จะมาตัดสั้5ห้าพระองค์ ในโลกนะในกัปนี้คือพัทกัปนี้จะมีห้าพระองค์ที่จะมาตัดสรุปคือกกุสันโธกู<ม>านาคามโนกั<ม>นสโปอ<ม>งค์ที่สี่คือโคตโมโตมะองค์ที่ห้าอะริยะเมตเโยคือองค์ต่อไปพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นี้จะมาตัดสรุปสอนเวนัยสัตว์ในโลกใบนี้นะก่อนที่โลกใบนี้จะแตกเพราะฉะนั้นการที่จะมานั่งตัดสรุปตรงนั้นเนี่ย คือมานั่งตัดสรุปได้ที่เดียวอืมคือที่ประเทศอินเดียมไม่ใช่รัตนนใต้ต้นโพไม่ใช่รัตนบาลังนะก็ะรัตนบาลังนั่นแหละนั่งที่เดียวแหละเข<อ>าเรียกว่านบาลาบังไม่มีใจอินเดียเท่านั้นเหรอครับเขาว่าศาีษะเขาว่าศาีษะก็ว่างานนะเขาว่าศาีษะ <c oughs> เป็นศีรษะที่เราสวดกันในมหาการลุนโกนาโถะ <c oughs> เป็น <c oughs> เป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นแผ่นดินที่ไม่สามารถไปที่อื่นได้ <c oughs> ถ้าไปนั่งที่อื่นจะไม่ไม่ไม่แต่สโลต้องไปนั่งที่นั่นที่เดียว <c oughs> <c oughs> แล้วก็ต้องหันหน้าไปทางทิศตะวันออก <c oughs> <c oughs> อ่าว่าอย่งงางนั้นเพราะฉะนั้นก่อนแต่จะ โลกนี้จะแตกไปก็จะมีพระศิริยะเมตไตรอีกโลกหนึ่งมาแตสรุปบนบนบนโลกเปนั่นหมายความว่าถ้าใครไปบำเพ็ญพุทธภูมิอยู่ที่ประเทศไทยไม่มีโอกาสได้เป็นพระพุทธเจ้าใช่ไหมต้องมาอยู่ประเทศอินเดียใช่ไหมคือในตําราว่าอย่างนั้นแต่ถ้าพูดถึงเรื่องปิศนาธรรมหรือเรื่องพระพุทธเจ้านี่ก็สร้างบารมีได้ทุกที่ครับผมคำว่ารัตนะตรงนี้แปลว่าเพชรแปลว่าใจถ้าจะพูดถึงบัณลังที่แท้จริงอยู่ที่ไหนอยู่ที่จิตใจครับผมผมขอตอบว่าเป็นที่จิตใจ อะไรแล้วการบำเพ็ญเพียนหรือกว่าการอธิษฐานอะไรก็แล้วแต่การตัดสู้ก็แล้วแต่ต้องเกิดที่จิตใจโดยตรงเรียกว่าอรัตนาแปลว่าเพชรแปลว่าเพชรลัตจนาบัลลังก์บัลลันไหนที่คนใจเพชรคนสําเร็จได้ต้องใจแข็งครับตใจเพชรเลยครับอ๋อถ้าใจอ่อนนี่ไม่ได้ก็ยกตัวอย่างเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยที่ว่าใจเพชรก็คือว่าอธิษฐานว่าเลือดเนื้อจะเหือดแห้งไปก็ตามถ้าไม่ตัดสู้จะไม่ยอมลุกจากที่ อันนี้คือความใจเพชรที่พระพุทธเจ้าไม่ีครับผมก่อนแต่แต่ยราสุลูเหมือนกโยมวันนี้ฉันจะ น, นั่งอยู่ดีถ้าเทศไม่จกฉันไปยอมลุกไปที่ไหนเลยนี่ก็เป็นใจเพชรเหมือนกันใช่ไหมใจเพชรครับเป็นใจเพชรน้อยใจเพชรไมน้อยนะเพราะฉะนั้นในจุดนี้โยมความว่าพุทธเจ้าเนี่ยมีอยู่ในคนทุกคนพุทธะแปลว่าอะไรครับแปลว่าผู้รู้ครับผู้รู้อ้า เขาเรียนหนังสือก็รู้กันทั้งนั้นกับพระพุทธเจ้าหมดเลเขารู้แต่อันนั้นเป็นรู้แบบสัญญารู้แล้วก็ตื่นตัวยารู้รู้แบบรู้อดีตรู้อนาคตแต่พระพุทธเจ้านี่จะรู้ปัจจุบันถ้าถ้ารู้อดีตอนาคตนี่จะเป็นการรู้แบบรู้สัญญารู้แบบคิดแต่พระพุทธเจ้าไม่ใช่รู้แบบคิด แต่รู้แบบสัพพัญยู<อ>ซึ่งแตก ต, <อ>ต่างกันค ร, ร, ร, ร, นรบนับผมพระพุทธโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแต่ว่าบังเอิญว่าเจ้าชายชิตตะาผู้เป็นราชบุตรของพระเจ้าสุโธทนาเนี่ยท่านเกิดความเบื่อนหน่ายแล้วก็แสวงหาว่าอัาไหนที่มันเป็นทางที่พ้นทุกข์ไม่มีปัญหาเนี่ย ตอนตอนก่อนหน้าที่เจ้าชายสิทธาเกิดขึ้นคําว่าพุทธเจ้านี่ยังไม่มีใช่ไหมครับยังไม่มีครับอ๋อยังไม่มีถ้ามีก็มีเกาะโน่นไกลๆ ก, ก่อนน่นแล้วนะกสโปเกาะสโปโกนาคาบนาครับอ่าแต่ในนั้นคำว่าพุทธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิก บ, บานมหมายความว่าในจิตของมนุษย์ทุกคนเนี่ยมันจะมีภาวะสองอย่างคือภาวะรู้กับไม่รู้ใช่ไหมครับครับภาวะตื่นกับไม่ตื่นครับผมภาวะที่เบิกบานกับไม่เบิกบานครับผมนั้นหมายความว่า บลังคือจิตของเราเนี่ยเป็นสถานที่แต่สรู้ของพุทธะแต่คําว่าพุทธเจ้านี้ไม่ได้หมายถึงตัวบุคคลใช่ไหมครับครับผมเป็นตัวนามธรรมนามธรรมนามธรรมชื่อว่าผู้รู้ผู้รู้ผู้ตื่นผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้เบิกบานนิพพานว่านี้มีอยู่ในคนทุกคนไหมครับคิดว่ามีครับอ๋ทําไมต้องคิดเดะเพราะว่าทำไมไม่แฝงว่ามีเลยแต่ละคนเนี่ยก็ ไม่สามารถรู้ซึ่งกันและกันได้ยกเว้นพระพุทธเจ้าจะมวีวิสัยที่เข้าใจแต่ว่าในภาวะของเราเองผู้เป็นบวชตามเรียนตามนี่สงสาวกนี่ก็คื อ, อรู้ได้แต่ตนเองครับรู้ได้ด้วยตัวเองว่าตัวเองนี่รู้รู้ว่าตัวเองเป็นเป็นยังไงแต่ว่าคนอื่นก็ไม่รู้ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่วิสัยที่จะไปะเรียกว่ามองเห็น คนอื่นยกเว้นพระพุทธเจ้าที่จะชี้ได้ว่าคนนั้นรู้จแต่พระพุทธเจ้าในที่นี้ไม่ไหมายถึงเจ้าชายธิเทระไม่ไหมายถึงเจ้าชายธิธทะองค์เดียวใช่ไหมครับใครก็เป็นได้ใช่ไหมครับเป็นได้ครับแต่ให้มีคุณธรรมสมอย่างก็คือรู้ตัวรู้พูดตื่นผู้เบอกบานอย่างอาจารย์พระเดชก็มีใช่ไหม ครับจะเจ้ารังอ้นี้ขอขอเอาไว้รู้คนเดียวก็ได้ด ย, ยไม่หมายถึงภาวะรู้ตื่นเบิกบานเนี่ยในทุกคนก็มีนะครับผมแต่มันจะสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์เท่านั้นครับผมแต่ลักษณะที่ภาวะรู้ตื่นเบิกบานจะสมบูรณ์ต้องอาศัยบารมีสิทัศน์อาศัยบารมีสิทธะถ้าถ้าหากผู้รู้ตื่นเบิกบานยังไม่มีบารมีสิทธัสนี้ยังเป็นพุทธเจ้าไม่ได้ ยังครับอก็อเลยเป็นพุทธสาวกบ้างก็อาจจ ะ, ะเป็นโพธิสัตว์อเป็นโพธิสัตว์บ้างโพธิสัตว์ก็ผู้รู้เหมือนกันโพธิสัตว์สัตว์ผู้รู้รพระพุทธเจ้านี่มีมีกี่ประเภทครับอพระพุทธเจ้านี่ถ้าจําไม่ผิดสามสามประเภทครับหนึ่งคือประเภทที่หนึ่งเนี่ยตัดสัลูแบบอนิจจ์รประเภทที่สองตัดสัลูทุกขังแล้วก็ประเภทที่สามตัดสัลูอนัตตาอ๋อพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าหนึ่งมีประเจกพุทธะครับ สองมีสมาสัมพุทธะสามมีสาวกพุทธะสาวกุทธนีมีอนุพุทธะอนุพทเออมีหลายพุทธะนะสาวกพุทธะกับอนุพุทธะอย่างพวกเราเนี่ยเป็นสาวกพุทธะเป็นพระพุทธเจ้าเหมือนกันแต่ว่าในนามของสาวกเพราะอะไรเพราะมีภาวะรู้ตื่นเบิกบานแต่บางคนนี่รู้ตื่นเบิกบานหมดแต่ไม่ยอมสอนเลยก็รู้เองเห็นเองเข้าใจเองแล้วก็ไม่ยอมสอนเป็นคนที่ว่ารู้แล้วก็ ไม่ม่มีคือไปเกิดในสมัยที่สอนไม่ได้เท่านนั้นบอกว่าประเจ้าพุทธานได้แก่ท่านแต่สรู้ท่านไม่สอนคนเนี่ยทำไมไม่สอนเพราะว่าปัญญาท่านผมจริงไม่ใช่นะคนที่แั่สรุ้เป็นพุทธเจ้าต้องมีปัญญาสูงสุดแค่สอนคนมาเรื่องง่ายๆจ่ิงวะแต่ทําไมท่านไม่สอนนั่นดิคงถามท่านอะทําไมท่านไม่สอนผมคิดว่าบางทีมันก็ มันลุ่มลึกเกินไปแล้วก็ไม่อยากจะเหนื่อยหรือเปล่านี่ตอนที่ผู้ดิจเจ้าตรัสรู้ครั้งแรกใช่ไหมก็มาพิจารณามูสัตว์โอ้โหใครจะมาสนใจเรื่องนี้เนี่ยคนเรามันสนใจแต่เรื่องดิษเรื่องเด็ดเรื่องปฏิหารเรื่องลาบเรื่องรวยเรื่องหวยเรื่องเบอร์เรื่องอย่างอื่นหมดแต่จะมาสนใจเรื่องภาวะรู้ตื่นเบิกบานเนี่ยมันไม่มีตอนแรกผู้ดิจเจ้าทําท่าจะเป็นพุทธปัิเจริของพุทธายจะไม่ยอมสอนใช่หมครับจะไม่ยอมสอนแล้วใครมาทําให้เกิดการอยากสอนขึ้นมาครับอ่า พระพมครับผรมชื่ออะไรพะพรมอ่าวก็อาราธนากันไปเมื่อกี้เนี่ยชื่ออะไรจำไม่ได้หระสวรสดิ์ลองบอกดิว่าคําอารัธนาทํามื่อไงพรมมาเจโรกาทิปติแลสหามปติอ่าเท่าสามบดีพรมนะศาสตร์ท้าสามบดีพรมมาอารัธนามาอาราธนาใช่ไหมแล้วทําไมท้าสามบดีพรมจึงว่าทําไมคนอื่นจึงไม่มาอาราธนาทําไมต้องไปสามบดีพรมด้วยเพราะอะไร เขาคิดว่าพระพรหมคงจะ อ, อ, อยากมีความเมตตาอย่างให้โปรดอเวนัยสัตว์นะครับอ๋อคือว่าท่านบอกว่าท้าวสามบุรีพรมเนี่ยเคยบำเพ็ญธรรมกับพระพุทธเจ้ารู้ใจรู้ใจเพื่อนกันดีในสมัยนู้นเกิดเป็นสหายกันพราท้าวสามบุรีบบรมัเป็นเพื่อนของเช้าชายที่ถัสมัยเป็นพระโพธิษัตว์สองสหายนี่รู้ใจกันดีมากเลยเจะใครต้องการรู้ใจกันเพราะฉะนั้นในยุคที่ เจ้ชาชายศิทฐะมามาบรรลุมาเห็นธรรมบรรลุธรรมเนี่ยท้าสางบดีโรมก็ทิ้งเพื่อนไม่ได้อ่อยังตามม า, าเออตามไปอยู่ทีหลังจากเจ้าชายสิทธะบรรลุธรรมเป็นผู้ไเจ้าแล้วก็เกิดก็มาพิจรารณาเห็นนะไอ้สัตว์โลกมันโม่แต่ในเรื่องกินเรื่องการเรื่องเกลดมันได้มันมาสนใจในเรื่องรู้ตื่นเบิกบานก็ไปสอนใครรู้เรื่องเนี่ยแบบนี้ไม่สอนดีกว่าพอท่านคิดอย่างนั้นน่ะเท้าสางบริพรมซึ่งเป็นเพื่อนรู้ใจกันมาก่อนก็รู้ว่าเจ้าศิทฐะกำลังคิดอะไร ก็เลยพนมมือเข้าไปว่าว่าไงมาผมมาจารุา <laughs> เข้ามาทันทีเลยใช่ไหมเออเนี่ยเข้ามาหาแล้วก็อัดกัดอันเชลีย์ทำพนมมือไหว้ว่าข้แต่ท่านผู้เจริญในโลกนี้สัตว์ที่ยังมีทั้งหลายยังมีกิเลสดวงตาในดวงตาบาบางมีกิเลน้อยยังมีอยู่นะ <m> ท่านคิดอย่างนั้นไม่ถูกนะ สันติท่าสตาปัสกาชาติกาเพเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังวะขออาศัยความเอื้ออินดูเหอะเดี๋ยวไปคิดอย่างนั้นเลยนี่แทบไม่ใช่เพื่อนกันมาก่อนเดี๋ไปรู้ใจกันได้ไงใช่ไหมก็รู้ใจกันไม่ใช่ครคนอื่นไม่รู้นะแต่พมคนนี้รู้เพราะเนื่องจากเป็นสหชาติเคยเกิดร่วมกันมาก่อนเคยรู้ใจเพื่อนเพื่อนมาเกิดก็เพื่อนมาเกิดเป็นใจใจแต่ก็ยังเกิดมาร่วมชาติเพื่อตามรักษาถ้ามองเป็นปิชชาธรรมได้ไหมครับตรงนี้มองว่าไงบอกแบบว่าคือ ที่ตัดสร้แล้วก็มีพระพมมาัตนาเทศนี่คือเป็นการดำลิเองจากใจของพุทธเจ้าอย่างเี้ครับเป็นปิศาธรรมอย่างนั้นนะครับเอ๊ะทำไมเข้าถึงจุดนั้นจังถ้าไปสู่ปรมาิตแล้วมันมีเรื่องมมีเรื่องป <c oughs> ุถนไม่ได้อ่าถ้างั้นก็จะเขวไใใหญ่แล้วนารากีรินารากีลินาลาลนะเนี่ยอ่าถ้างั้นก็งกมาตรงนี้ดีกว่าตรงที่ค่าถาแปดบทซึ่งบทที่หนึ่งก็ อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนะครั บ, รบแต่ว่าผมยังไม่พาท่านไปตรงนั้นนะคือตรงที่ว่าพญามารที่ยกกองทัพมาเมื่อหึงมานี่นะมีสิ่งที่ร้ายๆนั่นนะแล้วพวกกองทัพพญามาเดี๋ยวนี้มาจากไหนอนะกองทัพพญามา <c oughs> ถ้าจะพูดถึงเรื่องปริศนาธรรมนี่ก็มาจากตาหูจมูกลิ้นกายใจเลยครับพัญามานมีหกกองทัพใช่ไหมครับผมอ่ากองทับปัญญามันถ้าเขาถามว่ากองทัพปญามานมีกี่กองนายโยมปานจะตอบได้หรือเปล่าแต่ไม่ได้ก็แํามาฟังธรรมวันนี้แล้วตอบได้ใช่ไหมว่ากองทัพปญามานมีหกองทัพใช่ไหมกองทัพทางไหนบ้างตาหูจมูกลิ้นกายใจหกกองทัพทีนี้ไอตาเนี่ยมันเป็นมารก็ได้เป็นพุทธก็ได้ ถ้าหากว่าเราไปมองอะไรที่เกิดความไม่สบายใจเกิดอกุศลเกิดคิดในทางไม่ดีขณะนั้นกองทัพพญมานมาทางต า, ตานะครับทีนี้ถ้าหากว่าเราตาไปเห็นแล้วเกิดในคิดในฝ่ายที่เป็นกุศลที่ในฝ่ายที่เป็นบุญเป็นอกุศลเนี่ยกองทัพตรงนั้นกลายเป็นกองทัพอะไรครับ บานทางใจครับกอไม่ตอบไม่ถูกประเด็นดิแต่ถ้ามันมองในทางที่เป็นบาปอกุศลเรียกว่ากองทัพมานใช่ไหม<อ>แต่ถ้าหากว่ามองในถอยฝ่ายที่เป็นกุศลในทางที่ดีอ่ะเรียก่กองทัพอะไรกองทัพของเทพกองทัพธรรมกองทัพธรรมเออต่อไฟไกลเทพองค์มตรงกับเทพองคารเรียกว่ากองทัพธรรมท้องทัพมีสองกองทังทพใช่ไหมกองทัพมานกับกองทัพธรรมนะแต่พุทธะในหมายคำว่าเป็นปตัวกลาง นะถ้าหากว่าเป็นกองทัพรรมดังนั้นตาของเราเนี่ยเป็นได้ถึงสองกองทัพถ้าเราจะมองลักษณะมองแล้วไม่พอใจเนี่ยเป็นกองทัพมานใช่ไหมผมว่าถ้าเห็นแล้วเป็นมารหมดเลยเลอถ้าเห็นแล้วเป็นมารหมดงั้นก็โคกตาทิ้งเฉยได้ไม่มีมารเอาไหมก็สมัยนั้นเขาก็คิดกันอย่างนี้ถึงคว้าดวงตาทีนี้ใช่ทีนี้พุทธาย่าท่านเห็นว่าไงว่าตานี่ไม่ใช่เป็นที่มาของมารใช่ไหมครับผมตานี่เหมือนประตูใช่ไหม พระพุทธเจ้าจะไม่ใช้คําว่าตาถ้าตาาัดสธรรมพระพุทธเจ้าจะใช้คําว่าจากัจากษุจนะักษุเพราว่าจักสู่คือการรู้โดยภายในเห็นโดยภายในครับแต่ถ้ามองเห็นโดยตานี่จะเป็นสีขาวสีแดงแล้วจะเข้ามานหมดเลยเพราะว่าเป็นการมีกันเป็นหมดแล้วอแต่การภาษาบรลีเรียกว่าจักสู่ทวารใช่ไหมเพราะนั้นประตานี่คือประตูประตูอ่าประตูนี่แปลว่าประตูอทวารประตูคือตาเนี่ยต้อนรับคนดีจะเปิดเข้าไปก็ได้ใช่ไหม คนช่วยจะเปิดเข้าไปก็ได้ ค, คนไม่ดีไม่ช่วยจะเปิดเข้าไปก็ได้ถ้าสมมุติว่าอาจารย์เป็นผู้รักษาประตูเนี่ยอาจารย์จะอนุญาตให้คนประเภทไหนเข้าไปให้ประเภทกุศลเข้าไปเอาคนก็ดีอย่าเพิ่งเอากุศลอย่าเพิ่งไปตรงนั้นเนี่ยสามคนเนี่ย <c oughs> พรผมมาเนี่ยท่านรู้ว่าผมเป็นคนดีใช่ไห ม, มท่านอนุญาตเข้าไปถ้าผมรู้ว่าผมเป็นคนไม่ดีเนี่ย ท่านก็ไม่อนุญาตให้เข้าไปใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าคนเนี้ยจะว่าดีก็ไม่ใช่มีเป็นคนเฉยๆคนซื่อๆเนี่ยท่านจะอนุญาตให้เข้าไปไหมให้เข้าครับฟรีครับเข้าฟรีแต่ให้ฟรีเข้าไปเลยอออ่ามีปัญหาก็เคลียร์ทีหลังเสร็จเลยนะไม่ได้เคลียร์ไม่ได้แล้วเข้าไปแล้วปล้นลูกเดียวเท่นั้นคือหมายอตาเนี่นะถ้าหากว่าปล่อยให้สิ่งที่ดีเข้าไปทําให้ใจดีเรียกเป็นสวรรค์ สุกติไงแต่เข้าไปแล้วเรื่องอะไรก็ตามเข้าไปทางตาทําให้ใจไม่ดีเป็นนรกนรกเป็นทางของมารแล้มารนาไปสู่นรกใช่ไหมครับแต่ถ้าคนดีเข้ามาอยู่ในใจของเราเป็นสวรรค์เป็นเทวดาทําให้เกิดสวรรค์แต่ที่คนไม่ดีไม่ชั่วเนี่ยมีแม่จารั์ว่ามีครับเขาเรียกว่าอะไรก็แบบเฉยๆถ้าเป็นเวทนาเขาบ้าสุขคนไม่ดีไม่ชั่วเขาเลิกกินกินนั่ละ แล้วม่เรียกว่าเคยเคยได้ยินเขาว่ากินนเรียนกินนารอนกินนารีกินนารอนกินนาลีกินนารอนกินนาลีรู้จักมกนารอนก็ผู้ชายกินนาลีก็ผู้หญิงเคยได้ยินไหมโยมต้อยเคยได้ยินกินนรอนกินนาลีไหมหมายถึงคนแบบไหนอยู่สนอนข้าวสารเยอะไม่ใช่คือไอ้คาว่ากินนอนกินาลีมาจากคำว่ากินคําหนึ่งโยมโยมได้ยินไหมโยมข้างหน้าเนี่ยโยมชื่ออะไรนียนั่นน่นกำลังนั่งกินยาลินยาเลเข้าเนี่ยโยมอะโยมชื่ออะไร ไม่ยมมองหน้าแต่ยมยอมไม่มองยมมองยมกินนารีกินนารอเคยได้ยินไหมตอบไม่ทันอย่างเงี้ยนั่งฟังเทนไม่ทันฟังเนี่ยเอาไว้เอาใหม่ตั้งสติไหมกินมาถามว่ากินนรินกินกินนารีกินนารีกินนารอนเคยได้ยินใช่ไหมนั่นแหละเขาเรียกว่าเจะว่าคนอ่า กินนาเกินนอนกินนาเร่เนี่ยจะว่าเป็นสัตว์ก็ได้เป็นคนก็ได้คือเขาเรียกคนจำสั บ, บริก็วกิงนะระนาระแปลว่าคนใช่ไหมเมืม่อกิ่งเอามาบวกกันตามภาษาว่ากินนอนอืครึ่งคนครึ่งสัตว์ตได้แก่ใครใ น, นั่นนะเป็นชื่อของพระอารียเจ้านะั่นะนะนะเออเพราะอะไรถ้าาเพระท่านจะว่าไปคําว่าคนได้แก่คนที่คําว่าคนเนี่ยคือคนที่ไปตามโลกการทำแปดใช่ไหม คนที่อยู่เหนือโลกธรรมแปดเป็นพระอรหันต์ใช่ไหมแต่นี่ไม่ถึงขั้นพระอรหันต์แต่เป็นพระอริยเจ้าเรียกว่ากินนอนกินนารีถ้าเป็นโยมผู้หญิงเนี่ยโยมเนี่ชื่อเป็นกินนอนเพราะว่าจะเป็นพระอรหันต์ก็ไม่ใช่จะเป็นปุถุชนก็ไม่เชิงอยู่ในนี้ยโสดาสีนักขาคาเขาเรียกกินนอนถ้าเป็นพระอรหันต์ก็เป็นพระอิเจ้าไปเลยแต่ถ้ายังไม่เป็นพระโสดาบันเขาเรียกว่าคนใช่ไหมตรงนี้เขากินนอนคือคนผู้ที่เป็นพระอริยเจ้าถึงพระอนาคามีเขาเรียกกินนอน คนประเภทนี้เขาเรียกไม่ดีไม่ชั่วทำดีไม่ก็ก็ไม่ดีทำชั่วก็ไม่ชั่วเพราะอะไรคนอะไรก็ไม่รู้ตามสัมนะกินน่ะคนอะไรก็ไม่รู้ทำดีไม่เป็นดีทำชั่วไม่เป็นชั่วได้แก่พระอริยเจ้านี่คนประเภทที่สามพระอริยะเจ้พาพระอริยเจ้าเขาว่ากินนอนอถ้าเป็นผู้ชายก็เลยกินนอนถ้าผู้หญิงก็กินนารีงั้นก็ใช้ตามองได้ใช่ตามอง <laughs> ให้เก่าไปในจักษุไนะเห็นไหมตาเพราะฉะนั้นตามีสามประตูถ้าเปิดรับคนดีก็ได้ไปสวรรค์สวถ้าเปิดรับคนชั่วก็ไปนรกถ้าเปิดรับคนที่ไม่ดีไม่ชั่วก็อนิพพานไปนิพพา น, ป น, านเป็น่าอนิยเจ้าออ่ า, อาตรงนั้นเองเห็นไหมเพราะฉะนั้นแต่เขาบอกว่าถ้าไปปิดเลยเสียโอกาสเลยเสียโอกาสเลยทุกบ่อแล้วปลูกตาทิ้งไม่ได้นะเาดขนาดดาวว่าเปิดแล้วเปิดถูกเลย คว า, ามไม่ยากของเราตลาดเอาเลยพ่อแล้วอัลยะบุคคลนี่เป็นเป็นประเภทไหนอะอะไรอัลยะบุคคลก็แต่งพระโสดาโสดาบานนันพระศิกรทาคามีพระอนาขามี <สะ S 2> อริยะบุคคลก็ ค, ลคนที่เข้าสู่แดนที่ไม่ไม่มีศัตรูไม่มีศัตรูมาจากคาว่าอัลีอัลีแปลว่าอะไร<ช>ไกลแต่อัลีแปลว่าศัตรูใช่ไหมล่ะอริยะแปลว่าไกลไกลจากศัตรูคนประเทศไหนไกลจากศัตรู ถ้าเพระโสดาบันพระโสดาบันเป็นยังไงพ่อใหญ่มีคุณสมบัติอะไรบ้างพระโสดาบันนี่ก็ละกิเลสได้สามข้อมีอะไรบ้างเนี่ามีสกิยทิฏฐิวิจิการชาสีและปตปาปลามากบาลีทั้งนั้นเลยผมไม่เข้าใจเลยเนี่ยเออต้งว่าไปยาวอะเนี่ยเออสกิยาทิฏฐิเป็นยังไงเออสกิยาทิฏฐิความเห็นผิดความเห็นผิดเห็นว่าบุญบาปไม่มีไม่ใช่คิดเห็นผิดไม่ใช่มิจฉาทิฏฐิเหรอ อันนี้ัิชาสกิยิฏอันนี้วิสกิยาทิฐิสกิยาทิฐิสกิยาทิฐิคำว่าสักกะตรงนี้แปลว่ามีเป็นคําว่าทิฐิก็คือกายกายะนี่ก็มีกายนะแปลว่ามีกายคําว่าทิฐิก็เห็นว่าตัวเองมีกายเห็นได้เห็นว่าตัวเองมีกายก็คือว่ากายนี้กายนี่หมายถึงว่านามกายออจะเรียกว่าจิตเราก็ได้อถ้าผมยังแย่ว่าคนยัง มีตัวตนอยู่ถูกไหมถูกครับคนถือเนี้ยถือตัวอยู่ใช่ไหมถูกถูกอ่าสักยะที่ถือมีกายมีตัวมีตนมีกายมีไปมีมาอ๋อเป็นเป็นเป็นความเห็นยังถือเนื้อถือตัวอยู่เป็นความเห็นที่ว่าคิดว่าตัวเองมีอยู่อ๋อถ้าอย่างนี้ ตรงเป้เลยครับคิดว่าตัวเองมีอยู่นี่ตรงเป้เลยนี่ก็เรียกเป็นพระสุรบาลยังไม่ได้ไม่ได้ครับทั้งมีตัวตนทั้ต้องต้องเห็นว่าตัวเองไม่มีอยู่ที่มีอยู่ก็เป็นธรรมชาติคือหมายเขาว่าเห็นว่าตัวเองไม่มีตัวตนเห็นเลยว่าเป็นอนัตตาประมาณนั้นนะครับอ่าประมาณนั้นเห็นไหมอันนี่คือข้อที่หนึ่งสัจญาญาติทิแม่ปานข้อที่สองก็เป็นวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยสงสัยว่าชาติหน้ามีไหมตายแล้วจะไปเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายจะเป็นหมาหรือเป็นงัวเป็นควายหรือว่าสูญไปเลย นรกสวรรค์มีจริงไหมเพราะพระพเจ้าพระหลังมีไหมความสงสัยเหล่านี้ทุกคนมีผีมีหรือเปล่าต้ายแล้วเราจะไปไหนอพวกนี้นะครับคือวิจิตรฉาความลังเลสงสัยนอกจากพระโสดาบันถ้าพระโสดาบันแล้วนี่จะไม่สงสัยในพวกนี้คือจะละตัวนี้ได้หมดเลยเพราะอะไรเขาเพราะอะไรเห็นแจ้งซึ่งจะทำครับเห็นแจ้งซึ่งจะทำเห็นแจ้งไงน้อหายสงสัยเห็น <laughs> แจ้งก็เห็นทุกสิ่งทุกอย่างเกิดดับตรงนี้ สั้นๆั้นดีเข้าใจง่ายดีอ๋อเห็นการเกิดดับครับถึงถ้าเกิดดับมันก็จบไปเลยเพราะว่ามันเกิดมันดับไม่มีอะไรตั้งอยู่แต่ยังไม่ยังไม่สิ้นอาสวะยังครับยังไม่เห็นปรามัติอันนี้เป็นข้อที่สองครับข้อข้อที่สามก็คือศีลและปัญญาปรามัดเขาว่าศีลและปัญญาปรามัดก็คือว่าการปฏิบัติที่ผิดคือถ้าบรรลุถึงพระโสดาบันแล้วเนี่ยจะรู้ว่าปฏิบัติอย่างไรไม่ต้องให้ครูบาอาจารย์แนะนําว่าต้องยกมือต้องเดินจงกรม หรือว่าต้องทํำยังไงทําไปแล้วสงสัยเอ๊ยอย่างนี้มันถูกไหมนั่งทําไมมันง่วงพิจารณาทําไมมันมันไม่รู้สักทีทําไมไม่เห็นหสิ่งเหล่านี้ถือว่าปฏิบัติไม่ถูกปฏิบัติเองไม่ได้ต้องอาศัยคนอื่นแนะนำํำทีนี้ถ้าเป็นศีลปละปัจามาตเนี่ยคนที่ละศีลปละปัจามาตได้จะรู้ทางปฏิบัติด้วยตัวเองที่ไม่ต้องไปถามใครอสมมุติว่าพระอรหันต์หลวงพุทธเจ้านั่งอยู่ตรงนี้นไม่ต้องถามว่าจเจริญสติยังไง จเลื่อนลักมีองแปลกอย่างไรคือเขาจะรู้ของเขาเองว่าเขาจะปฏิบัติอย่างไรเพื่อจะไปถึงพระนิพพานอันนี้คือคือเขาละคําว่าศีและพระตระมาศได้ครับคํานี้เป็นปิิศนานะพี่จันสีละสีละพระตะ ร, าาะระมาศอ่าประมาทนี่หมายความว่าไปลวลูกคลำใช่ไหมครั บ, รบสีละนี่แปลว่าดีนะคำนี้เขาว่าสีนี่เป็นของดีใช่ไหมเพราะว่าคนที่ยังยึดติดในดีอยู่ แปลว่าสีและปัจปรมามาสมาก็คนไหนที่ทําดีย่างโยมสมพรเนี่ยมาปฏิบัติธรรมทุกวันกลับไปบ้านโอ้โยมสมพรไปปฏิบัติอย่างแง่ปฏิบัติเอาหน้าให้อาจารย์ยกจ่องนัะนนะโอ้โยมสุพรขึ้นวุดๆเลยนะอะไรกูมาปฏิบัติทุกวันมาวากูขนาดนี้นะนี่เขาเรียกโยมสุพรยังไม่ไม่ข้ามพ้นสีและปะัจจปรามาสเนะพราะอะไรเพราะเขา แล้วเราทําดีเขาว่าเราไม่ดีได้ไงคิดอันนี้เขาเรียกว่ายังเป็นพระโสดาบันไม่ได้เพราะเขาว่าแล้วก็ยังเอาไปคิดได้อยู่ทั้งที่ตัวเองดีแล้วก็ยังเอาไปสงสัยอ่ะเอตัวเองดีจริงแล้วทาไมเขาว่าอย่างนั้นแต่ไม่ได้มองของคนว่าเนี่ยคนว่ามันเป็นใครอ๋อคนว่าไม่รู้จักเราเขาว่ากันมาก็ว่ากันไปเฉยเฉยเพราะฉะนั้นพระโสดาบันจะไม่มีเดี๋ยวผมไปบอกว่า อาจารย์พเดชอาจารย์พเดชนี่สงสัยเมื่อวานเนี่ยนั่งคุยกับโยมสองต่อสองมีอะไรกันหรือเปล่าไม่มีแค่เห็นนะโอ้โหอาจารย์พเดชนอนไม่หลับทั้งคืนทําไมหลวงพ่อว่าเรานี่แล้วว่าอาจารย์พเดชยังไม่เป็นพระโสดาบันเพราะยังสงสัยในศีลของตัวเองอยู่นะอันนี้เห็นไหมซึ่งเป็นสิ่งเหล่านี้ มันก็ไม่ใช่ละเอียดแต่ว่าอาศัยความเข้าใจแต่ถ้าอาจารย์พระเดชเป็นคนที่บริสุทธิ์ไม่มีอะไรนะเขาสบายเขาก็ว่าเป็นคําพูดเฉยนะคําพูดของคนมันก็ลมไอเราก็มีหูลมมันไม่เข้าหูไม่เข้าไหนมันเข้าหูนั่นเองนะก็ปล่อยวางลักษณะที่เราไม่ติดดีไม่ยึดดีไม่ถือดีตรงนี้เขาเรียกว่าไม่เป็นไมเป็นสีและปัจจปรามาสบางคนนะครับอาจารย์ตอนเย็นมาเนี่ยถ้าไม่ได้ทําวัดไม่ได้ไหว้พระก็นอนนอนไม่หลับนะ เพราะอะไรเพราะเขาไปสีศีลและปฏิปธรรมาดยังยึดว่าการไหว้พระเนี่ยยังยึดการไหว้พระดีนะแต่ถ้าไม่ได้ทำแล้วไม่ได้เป็นทุกข์ครับถ้าไม่ได้ทาดีเป็นทุกข์บอกว่ายอมปานมาวัดไดงไงมาวัดทั้งทีเนี่ยต่างห้าบาทไม่ยอมอไม่ยอมสละเลยเนี่ยกลับไปวันคิดใหญ่เลยเอ๊ะพราไม่ว่าแบบนั้นเราก็สร้างวัดมาตั้งหลายวัดเลย ทำมาเช้าแล้วทำัาเย็นที่มันมันเป็นจริงๆเขใช่เป็นจริงพ่อโยมพ่อโยมพ่อโยมยังไม่เป็นพระโสดาบันอ่ะถ้าโยมเป็นพระโสดาบันโยมจะไม่ไม่คิดอย่างนั้นเลยใช่นิดหนึ่งก็ยังดีเขาตอนเช้านี่ก็เอามาจะพูดให้โยมตกใจอันนี้จริงนะตั้งแต่มาเข้าใจธรรมะมาเอามาก่อนนอนไม่เคยไหว้ผ้าเลยไม่เคยไหว้ผ้าเลยพระานี่ เพราะอะไรการนอนให้สบายเนี่ยมันยิ่งกว่าว่ายพระอีกนะแล้วทําจิตให้สงบทําจิตให้ดีเนี่ยมันมีคุณธรรมเหนือยิ่งกว่าว่ายพระบางทีไ่ว้พระแล้วนอนไม่หลับก็มีเนี่อมไม่เคยไหา้พระเลยตั้งแต่รู้ธรรมะมาเนี่ยเออเป็นไปได้งไงเพราะเอออันนี้พระพูดนะไม่ใช่เอ่ามีศีลพูดนะเออสาธุเพราะอะไรเพราะถ้ารู้ธรรมะแล้วเนี่ย ทุกอย่างมันเป็นไหว้หรือไม่เป็นการไหวธรรมตลอดเวลาไม่ไหวแต่ตอนก่อนนอนตอนแม้แต่นอนเนี่ยก็เป็นการไหวอย่างหนึง่งนอนให้สงบนอนให้สบายยอนให้ผ่อนคลายนอนแล้วก็ไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ถ้าหากว่าธรรมะไหวพระก่อนนอนทุกวันนะแต่นอนไปแล้วมือกายน่าภาคการไหวพระมีควาหมายไหมไม่มีแต่ถ้าเรานอนแบบปล่อยวางไม่คิดอะไรเลยเนี่ยไม่ไหว้พระเลยก็มีความหมายตรงนี้เขาเรียกว่าไม่เป็นสีและปัตประปามาศ คำว่าสีปรามาตยเราเคยทําดีอะไรแล้วไม่ได้ทําแล้วเป็นทุกข์เขเลือกสีนะประดับปรามาตแต่ถ้าหากว่าเราเคยทําดีมามากเท่าไหร่ใครจะถึงเวลาได้ทําก็ได้ไม่ทําก็ได้เพราะดีไม่ได้อยู่ที่การทําแต่เธอทางกายทําทางใจอยมการต้องปฏิบัติให้เป็นพระสวดภาวนาให้ได้ <laughs> จะได้เลือกไฟฟ้าสีดีนะไม่ต้อเป็นที่จะทำบัดเช้าทาว่าเย็นก็ได้ใช่ แต่นั่นต้องเป็นพระศูนย์ดับันก่อนนะแต่ถ้าไม่ใช่พระศูนย์ดับันทำอย่างนั้นไม่ได้มันทุกข์โยมโยมฟานยยมฟาน เออยังขุดยังเกาใ่ปต่อไปต่อไปพยายามมาดึงีินเอนไหลว่าไหลวัดเอาเดี๋ยวนี่กำลังสองธรรมาะนะไม่ใช่สี่ธรรมาะนะหยุดก่อนโอเคอาจารย์พระเดชก็สรุปว่าตรงพระโสดาบันก็คือละ กิเลสสามข้อนี้คือหนึ่งว่ายชาติก็คือหนึ่งคือไม่ไม่เห็นแก่ตัวไม่มีตัวตนไม่ไม่เถือไม่หวดื้อถือดีวิกิกิจยาความสงสัยความสงสัยคือไม่สงสัยว่าเราจะเกิดในพพุทธพระธรรมประสงค์แล้วก็ศีลนะพระตาพระมารก็ไม่ปฏิบัติข่มง่ายไม่ยึดติดในทิ่งที่เข้าใจง่ายๆก็คือว่าเรื่องที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นเรื่องของตนโดยฝ่ายเดียวตัวเองอ่ะไม่ได้เกี่ยวข้องกับข้างนอกถ้าเป็นเรื่องที่เราเขา ผู้หญิงผู้ชายแล้วจะไม่ใช่เรื่องธรรมะถึงถึงถึงขั้นตรงนี้แล้วจะพูดถึงภาวะของตัวเองทั้งนั้นนะสังเกตตรงนั้นสังเกตที่มันเกิดขึ้นมากับใจตัวเองอะไรประมาณนี้ถ้าไปเกี่ยวข้องกับข้างนอกเนี่ยจะไม่ใช่สักอย่างเลยเป็นภาวะส่วนตัวที่เกิดอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้เข้าใจเข้าใจตรงนั้นล ะ, ะละตรงนั้นอเรียก ว, ว่าเป็นพระโสัตบัณฑถ้าละตรงนี้ได้นะ เออก็นี่เป็นตาราที่ท่านบรร ญ, ญตัตไว้จะมีอยู่คําหนึ่งจงที่อาจารย์พูดมาเมื่อกี้ว่าพอพยามันยิงลูกศรใส่พุทธเจ้ามาเป็นหาฝนแต่ปรากฏว่าลูกศรเหล่านั้นกลายเป็นดอกไม้หมดนี่หมายความว่าไงก็หมายความว่าถ้าสิ่งเลวร้วายที่จะมาทําลายเราเนี้ยอ่าพอมาถึงตกถึงเราแล้วมันจะกลายเป็นเป็นเรื่องดีทั้งหมดเรื่องเลวก็กลายเป็นเรื่องดีสมมุติว่าคนคนหนึ่งคิดจะมาทําร้ายเราเราก็ เหมือนกับว่าสมมติถ้ายกเป็นปิตินาธรรมคือมันปวดขาละ่ะปวดขาเป็นสิ่งที่ไม่ดีจะทําให้เราไม่ดีแต่เราเห็นความปวดขานั้นนะ่ะเป็นสิ่งที่ดีคือออใช่ละ่ะมันดีแล้วมันมาแล้วมันก็ดีแล้วแนะ่ะเหมือนพระภาริยะเจ้าเห็นว่าศพนี่เป็นดอกไม้ก็เหมือนกันความตายเป็นสิ่งที่ดีอะไรประมาณนี้นะเพราะว่ า, าธรรมะเนี่ยมันจะกลับกัน เพราะฉะนั้นสิ่งเลวร้ายที่มาเสียบแทงนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มาปรากฏให้เห็นครับพิจารณาเป็นอย่างนั้นออหให้สามารถเราเข้าใจได้ว่ายกขึ้นส่วนนี้ยังออทุกขังหน้าตาได้ว่าแม้แต่เจ็บแม้แต่ปวดแม้ต 8, แมต่พยามาลก็เป็น อ, อ, อันนี้ยังทุกขังหน้าตาทําให้เกิดปัญญาได้เพราะพอเป็นปัญญาแล้วก็ทําให้สบายแล้วก็เป็นปิติ เป็นหล่อเลี้ยงเหมือนกับเป็นดอกไม้มาบูชาหมายของว่าใครก็ตามมีภาวะรู้ตื่นเบิกบานอยู่ประจําใจครับมีอะไรมากระทบกระแทกทั้งดีทั้งร้ายเนี่ยมันจะกลายเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเราเปเปลีญยนถ้าไปเปลี่ยนแทงก็จะไปดูว่าอันนี้เป็นดีไม่ดีจะไปดูว่าอันนี้เป็นอันนี้จังทุกขังอน้าตาใช่ไหมพอรู้ว่าเป็นอนนีจังทุกขังตาป้ามันก็เลยปล่อยวางลักษณะที่ตกไปแล้วกลายเป็นดอกไม้คือพบลงตกปั๊บจิตของเราก็เบิกบานใช่ไหมเป็นดอกไม้ ถ้าเกิดว่าเจ้าชายชิตาถานั้นไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าชายชิตาถาคือเป็นคนอื่นละ่ะลูกศรที่ยิงมาก็เป็นลูกศรผักหน้าอกหรืออย่าใช้คำ่าจ้าชายิตาถาดิไม่ใช่คําว่าผู้พุทธเจ้าแล้วเจ้าชายชิตาถายัางตอนนั้นยังไม่ตัดสู่ยังไม่ตัดรู่ยังเป็นพุทธะไม่ไนดะ้ยัง <c oughs> <c oughs> ยังเป็นเจ้าชายชิตาถายู่<อ>ังคําว่าพุทธะหมายว่าทุกคนเมื่อมีภาวะรู้ตื่นเบิกบานก็หมายความว่าคนนั้นมีศีลสมริปัญญารู้เป็นศีลใช่ไหมครับ ตื่นเป็นสมาธิเบิกบานเป็นปัญญาภาวะรู้ตื่นเบิกบานก็คือสินสิ่งที่ปัญญาคนไหนคนไหนมีสินที่ปัญญาประจําสิ่งที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งหมดก็เปลี่ยนเป็นดอกไม้อนิจจังทุกขังหน้าตาครับเป็นปัญญาเป็นปัญญาข้าวความรู้อ่าเห็นไหมอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นแบบนี้นะแล้วก็อีกอันหนึ่งตอนที่ว่าพระพุทธเจ้าชี้พระหัตถ์ลงบนแผ่นดินนะ ลงแผ่นดินแล้วก็แม่นางธรณีผุดขึ้นใช่ไหมครับครับผมทำไมต้องชี้ลงที่แผ่นดินไม่ชี้ไปทางอื่นไม่ชี้บนฟ้าบนอากาศบนน้ำเมื่องไงเพราะว่าจะแก้ไขปัญหาของพญามารคือพญามานนี่ตู่ว่าที่นั่งนั้นนะ่ะไม่ใช่ที่นั่งของของท่านเป็นที่นั่งของเราอืพระพุทธเจ้าก็เลยต้องแก้ปัญหาตรงนี้ว่าแท้ที่จริงแล้วที่นั่งตรงนั้นเป็นที่นั่งของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ที่นั่งของพญามานก็เลยให้ เหมือนกับถ้าเป็นศารทั้งวันนี้ก็ต้องให้พยานมาชี้ตัวว่าแท้ที่จริงเป็นอย่างนี้นางธรณีจึงจึงอเอาหลักฐานที่เคยกวดน้ําอุทิตสมัยทําบุญถึงสีง่แสนสงไขยกําไรแสนกับเนี่ยครับมามาเป็นพยานหลักฐานอ้างอิงว่านี่เป็นของพระพุทธเจ้าเป็นบรลังที่นั่งของพระพุทธเจ้าเพื่อจะตัดสูนะครับทีนีผ้ผมอยากจะเล่าประสบการณ์ตรงนี้นะ มีอยู่กับครืงวันหนึ่งผมเข้านอนแล้วปรากฏว่าบ้านเราเรียกผีเอามาเนาะเอาผีเอาป๊อปนี่พอ น, นอนป๊อปนี่นะปรากฏว่าเหมือนเหมือนมีลมนะล ม, มพุ่งมาพัดเต็นต์ตอนนั้นอยู่นอนอยู่ในเต็นต์เน่ยนะเต็นต์นี้พันธุ์ตัวเราเนะี่ยพันตัวเราก็ดิ้นสู้ดิ้นก็ยิ่งดิ้นยิ่งสู้ดิ้งพันถ้าหากว่าคน บ้นเราก็แล้วเราเมือเลยใช่ไหมเราเมือด้วยความกลัวแต่นี่อิสูปรากฏว่าผมก็ดิ้นก็สู้ก็รู้สู้เต็มที่ปรากฏว่าสู้ไม่ได้พอสู้ไม่ได้ป้าผมก็เลยมาท่องคาถาก็คท่องคาถาอะไร<ข>รู้ไ้ไมกรณียมแมทเดซูดเออพอนึกเล้วเดินครึ่งปรากฏว่ามารมันออกเอออะไรรู้สึกตัวอ่อ เราไปฝันไปไม่ใช่ของจริงอันนี้คืาเรื่อพยามานมันสิงในบางครั้งแต่พอเราทําจะแก้สู้ข้างนอกก็ยิ่งยิ่งสู้ยิ่งแรงมานะเพราะฉะนั้นต้องกลับมาสู้ข้างในคือมาดูใจตัวเองคืออย่างการณีไม่ไือสูตรนีน่ก็ถือว่าเป็นคาถากันผีใช่ไหมเพราะฉะนั้นจํำคาถานี้ให้ดีนนะโยมจําได้ไหการณีไม่ถตอสูตรอ่กากรณีอันนี้มีนะมาเคยใช้บ่อยโบราณว่าเป็นคาถากาันผีมานก็คือผีผีก็คือมานนั่นเอง นะดังนั้นเวลาเกิดอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นได้สู้ไม่ได้กลับมาดูใจตัวเองพอมาดูใจตัวเองปั๊บเนี่ยมันจะวางทั้งหมดเลยเราจะไม่สู้เราจะวางปั๊บมันก็พุทธะก็เกิดถ้าไม่ปล่อยไม่วางพุทธะเกิดไม่ได้ไม่ได้ไ ม, ไดมาเนะี่ยยิ่งสู้ยิ่งหนักนะเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าก็เลยะจะชนะมารโดยที่ไม่ต้องสู้แต่ใช้คุณธรรมสองอย่างคือความอดทนแล้วก็ใช้ปัญญา นะสมมติว่าโยมนั่งปฏิบัตินานๆนั่งเป็นชั่วโมงเนี่ยอะไรมันมาก่อนโยมและนั่งปฏิบัตินานอะไรมันมาก่อนปวดขาง่วงแล้วอะไรอีกเบื่อขี้เกียจเซ็งใช่ไหมแต่ถ้าสมมติว่าเราสู้แบบว่าเอา้ามึงปวดก็ปวดไปกูหลับตาสู้อย่างเดียวสู้มันไหวไหมไม่ไหวแล้วมันก็กดเรางงไปเมื่อยมาอย่างนี้เราก็สู้สู้ไม้ชนะหรอกต้องใช้ปัญญาทําไง ก็ปรับเอียโบดแล้วก็พลิกตัวอันนี้เรียกใช้ปัญญาแล้วใช้ปัญญาคือหมายความว่าต้องเปลี่ยนเอียโบทอันนั้นใช้เอียโบดเดิมเลยสู้มันไม่ได้ใช่ไหมสู้แล้วก็เปลี่ยนลักษณะมันอันนี้คือเป็นปริศนาธรรมนะตัวอดทนมายควมันจะต้องมีลิมิตคือหมายมามีขีดจำกัดร่างกายของเราเห็นว่าคนเนี้นั่งได้ทีได้สามชั่วโมงเราก็จะเอาสามชั่วโมงบ้างมันไม่ได้ คนนั้นเขามีความอะไรมีศักยภาพมีร่างกายดีเขาอดทนได้สามชั่วโมงแต่เราศักยภาพแล้วร่างกายเราอ่อนแอเรานั่งสาชั่วโมงอย่างเขาไม่ได้แค่ชั่วโมงเดียวเราก็ไปไม่รอดแล้วใช่ไหมง่วงสกมสกสพ ง, งักแล้วทีนี้จะทำไงต้องใช้ปัญญาคือหมายความว่าโอเคสามชั่วโมงก็ไม่ถึงก็ไม่เป็นไรแต่ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนขยับนิดขยับหน่อยพระนั่งได้นี่เขาเรียกว่าการใช้ไปคือการปรั บ, ป ร, บปรับตัวเองให้เหมาะ ให้เดินไปได้แ ล, ล้วรู้จับปรับเราก็เดินไปได้รู้จับปรับเพราะนั้นตรงนี้เองเรียกว่าแม่ธนณีบีบมวยผมครับถ้าเรารู้ว่าความอดทนเราไม่พอต้องสร้างปัญญาสร้างปัญญาทำอะไรจะทำให้เกิดปัญญามากอาจารย์รู้ไหมทำไงครับทําไงอ้าวโยนท่านทําอยู่ทุกวันแล้วนี่ทําไงอ่ะคือถ้าตามความคิดส่วนตัวนะก็บอกว่าถ้าจะให้เกิดปัญญาเนี่ยคือจะไม่ไม่อยู่ที่ตาหูาจมูกลิ้นกายและใจจะต้อง พ้นออกไปภาวะของตาหูจมูกลิ้นกายใจถึงจะเป็นปัญญาถ้าอยู่ในตาในหูก็ตาหูโดนพยมาณดึงไปหมด<ก>ครับแต่ก็ไม่สามารถทำได้ตลอดเวลาคือต า, ตาคือตามันมีก็ปล่อยให้มันเห็นไปสักแต่ว่าเห็นไปเราไม่ได้ไปเห็นอย่างนงี้เอเอาอย่างนี้ดีกว่าไฟเนี่ยท่านสร้างมันได้ไหมยถ้สม ม, มยสมมติเราออเปรียบเสมือนกาไฟที่เป็นปัญญานะไฟนี่ท่านสร้างมันได้ไหม สร้างได้ครับทำไงคือเปิดแล้วก็ปิดเอาอ น, นั่ น, นไม่ใช่ไฟ Allah, อ่ะ น, นั่นมันสวิตฯอ่ะมันสวิตฯนันไม่ใช่ไฟนั่นนะมันมีอยู่แล้วครับพูดถึองอ่ะมันมีอยู่แล้ว<ช>เพราะฉะนั้นเราจะต้องทําสิ่งที่มันมีอยู่แล้วให้มันสว่างขึ้นเท่านั้นเองตรงนี้เขาเรียกว่าสร้างเหตุใกล้ครับสร้างเหตุใกล้อ่าสร้างเหตุใกล้ไฟเราไปสร้างไม่ได้เพราะมันมีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วครับแต่เราไปสร้างเหตุใกล้คือสร้างอะไรสร้างเหตุใกล้คือเปิดสร้างสายมันก่อนเปิดยังไม่ได้ มันเปิดสวิตอย่างเดียวไม่มีสายมาถึงีงไปป่ไม <c oughs> ่เปิดเปิดร้อครัง้งคนหงมมันก็ไม่ออกอ <c oughs> ต้องเดินสายสายต้องไปคอนเน็กกับอะไรคอนเน็กกับไฟอครื่องเล็กกับสถานีไฟแล้วจินนรีเตอร์ของมัน <c oughs> ใช่ไหมแล้วก็มาสร้าง <c oughs> สายเถ้นยังไม่พอนะต้องมีอะไร <c oughs> ต้องมีหลอดอต้องมีหลอดมีสวิตอย่างเดียวไม่มีหลอดก็ไม่ได้ไไดลักษณะของไฟเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะ แต่ว่าเราต้องมาสร้างเหตุใกล้คือสร้างสวิตมันสร้างสายมันสร้างหลอดมันสร้างอ ะ, อะไรประหลาดมันเนี่ยเขาเรียกเหตุใกล้เขาสิ่เหล่นี้ mm hmm. ทีนี้ไอปัญญามันแสงสว่างมันต้องมีเหตุใกล้ทําอะไรเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญามองสมาธิมองด้วย <laughs> <laughs> สมาธิเออสมาธิทำให้เกิดปัญญานี่ทําอะไรอะไรทําให้เกิดสมาธิ ความตั้งมั่นสติอ่าสติก็บอกสติสมาธิปัญญาก็บอกอยู่แล้วสติสมาธิปัญญาเพราะนั้นสติจะเกิดขึ้นได้อาศัยอะไรสติที่เรายกมือได้เนี่ยถ้าคนไม่มีสตานี่จะยกมือไหวไหมไม่ไม่ไม่ไหวไม่ไหวสธาเป็นเหตุก็ให้เกิดอะไรความเพียรความเพียรเป็นเหตุใกลให้เกิดสติสติสติเป็นเหตุก็ให้เกิดสมาธิสมาธิเป็นเหตุกล้ให้เกิดปัญญา เห็นไหมปัญญาสร้างไม่ไ so ด like so ้แต <Yep. S 1> ่สร <Bon. S 1> ้างเหตุมันได้นั้นการที่เรายกมือเงี้ยก็คือสร้างเหตุให้เกิดสมาธินั่นเองพอจิตมันสมาธิแล้วมันก็จะไปเกิดปัญญาเพราะฉะนั้นตัวสตินี่เหมือนกับสวิตไฟครับเหมือนสายไฟกับสวิตไฟตัวสมาธินี่ยมันหลอดไฟตัวปัญญาเนี่ยเหมือนแสงไฟครับนี่เหตุให้เกิดสติสมาธิปัญญาลักษณะอย่างนี้แล้วก็ น้อมเข้ามาใส่ตัวน้อมเข้ามาใส่ตัวโอวันนัยิงโกอีกทีออกไปไกลก็น้อมเข้ามาอ่ครับ <c oughs> เอาล้ทีนี้ผมก็มาถามอาจารย์ว่าบันลังเดียวบอกว่ามันเลี้ยงแต่มีสองคนแย่งกันใช่ไหมครับมีใครกับใครมีพุทธกับมารใช่ไหมพญามารมีพญามารกับแสดงว่าพญามารกับพุทธท่านี่เกิดที่เดียวกันใช่ไหมครับ ไม่ได้เกิดที่เดียวคือเขาตู่เอาว่าคือพูดง่ายๆคือไม่อยากให้พระพุทธเจ้านินธไปจากอํานาจของตน <c oughs> ก็ทําทุกวิธีทางไม่ให้พระพุทธเจ้านั่งตัดสูุตรงนั้นเพราะว่าตรงนั้นเป็นที่ตัดสูรับ <c oughs> เอาละฉันก็จะทาจันเดศจันเดศว่าวันนี้รู้สึก <c oughs> ผมถามวันนี้เป็นไงสบายใจบอกไม่สบายใ จ, อยใจพอไปอีกวันหนึ่งจันเดศวันนี้เป็นไงสบายใจทีนี้ไอ้ความสบายใจกับไม่สบายใจมาใจจากใจเดียวกันหรือคนละใจใจเดียวกันอ้าวทำไมได้บอกสองบาลัง มาจากบรลลังก์เดียวกันนี่แหละแต่ว่าแล้วแต่ใครจะไปครองใช่ไหมแล้วแต่ใครจะไปคลองอ่าแล้วแต่ใครจะไปครองคือมานไปครองหรือพุทธไปครองที่จะทํางานให้พุทธไปครองได้ตลอดโดยไม่ให้มานไปครองเลยเนี่ยอคนเราใ่ใจดีได้ตลอดไหมไม่ได้ครับไม่ได้เพราะใจดีเป็นเหตุกให้เกิดใจไม่ดีเพราะคนใจดีเนี่ยพอเป็นถูกกระทบใจไม่ดีก็เกิดที่จะทำไงให้ทั้งใจดีก็ ไม่กระทบทั้งใจไม่ดีก็ไม่มีเนี่ย<ม>ต้องเอาสองอย่างนี้ออกอเพราะว่าอะไรใจดีก็ไม่ดีมันเป็นบาลังคู่ใช่ไหมแต่นี้มันเหลือบาลังเดียวจะทําไงก็ต้องเอาไอ้สองตัวนี้ออกไปเอาทั้งพอใจไม่พอใจก็จ อ, อ, กอภิชาและโทมนัสใช่ไหมเว<ม><ม>ลาเราสวดอาตาปีสติมาสัมปชานาวินายโลเกออภิชาโทมนัสซั่งว่าถ้าอยากจะเอาความอภิชาความใจ ดีพอใจโทรมนัดความไม่พอใจความไม่ดีใจอะ่ะก็ อ, อาศัยอัตาปีสติมาสัมปชัญคืออาศัยความเพียรที่เรายกนี่นะแล้วยกเนี่ยถ้าไม่มีสติไม่มีสัมปญ ย, ยะมันย่อออกได้ไหมไม่ได้ยกด้วยสติยกด้วยสัมปญ ย, ยะเราตึงใช้วิธีการยกมืออันนี้ก็เรียกว่าใช่สติอาวุธปราบมาร <laughs> <laughs> มือของเราที่ยกนี่นะ่ยกเป็นอาวุธปราบมารขณะยกเนี่ยใจดีก็ไม่เอาในายมนะ ใจชั่วก็ไม่เอาเอาแต่ใจอะไรซื่อๆให้รู้ซื่อๆถ้ายกไปแล้วใจดีเนี่ยแสดงว่าไม่ถูกแล้วถ้ายกไปแล้วใจมุ่ยจิตแสดงว่าไม่ถูกแล้วถ้ายกไปซื่อๆไม่มีอะไรเนี่ยบางคนมาถามธรรมาเอ้ยหลวงพ่อทําไปทั้งวันไม่เห็นมันมีเออคุณทำถูกกล้องแล้วที่ไม่มีอะไรมันถูกกล้องแล้วนะถ้ามันมีอะไรขึ้นมามันไม่ถูกนะเออเนี่ยบางคนเข้าหาธรรมะล้วก็ยังไม่รู้จักธรรมะนะปฏิบัตินี่เพื่อไม่ให้มีอะไรนะถ้ามีอะไรมันไม่ใช่ เฮ้ยทำไมผมไม่เกิดปัญญาเหมือนหลวงพอ่อเอามันคนละตอนกันนะมันคนละอย่างไอ้ตัวน้ําใสกับน้ําขุ่นนี่ต่างกันนี่อาจารย์น้นําใสมองเห็นตัวปลามองเห็นตัวปลา <c oughs> แต่ถ้าน้าขุนะ่นน่ะน้ําขุ่นก็มองไม่เห็นมองไม่เห็น <c oughs> ใช่ไหมฮะอ่าละ่ะทีนี้น้ําใสเนี่ยมันไม่มีอะไรใช่ไหมครับน้ําใสไม่มีอะไรใช่มันไม่มีอะไรเจี่ยปนน้นํามันเลยใสแต่ถ้ามีอะไรเชียปนลงไปอะ เป็นน้ำขุนตอนน้นปฏิบัติลงไปที่ไม่มีอะไรเนี่ยน้ํามันใสแล้วแต่คนเราพอใจไหมถ้าเกิดพอใจขึ้มาน้ําก็ไม่ใสอีกใช่ไหมเหมือนเอาสีอ่าฉันชอบสีขาวสีขาวไปหวานลงฉันชอบสีเขียวกับสีเขียวไปหวานลงน้ําก็หายใสเลยแต่คนเรามันทําไม่ได้ <S <S 1> <S 1> ปฏิบัติแล้วอยากจะให้เกิดปีติอยากให้เกิดตัวเบาอยากจะเหยเห็นธรรมะน้ำมันเลยขุนตลอดเลยทีนี้มันก็เลยไม่เห็นทันทีหนี่เพราะเป็นน้ําน้ําให้คุณนอ่ะมันก็เลยไม่เห็นตัวปลาเลยไม่เห็นธรรมะ เพราะนั้นทําไปซื่อๆนี่แหละแต่โยมถามว่านั่งสมาธิโยมนั่งซื่อๆได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรโ ย, โยมนั่งสมาธินั่งซื่อๆได้ไหมไม่ได้นั่งสักเข้าโยมก็ง่วงแล้วงั้นมันซื่อไม่ได้เพราะมันมันมีอะไรเข้าตลอดทีนี้จะทำไงให้มันซื่อๆเนี่ยต้องทําสติให้เข้มแข็งก่อนถ้าสติไม่เข้มแข็งเนี่ยเหตุใกล้ของสมาธิมันไม่มี ถ้าเหตุใกล้สมาธิไม่มีปัญญาก็ไม่เกิดเห็นไหมเพราะฉะนั้นหลักของเราก็ต้องก็เอาปัญญานะเอาละทีที่ผงกระถามอาจารย์ว่าเมื่อบรลังแก้วบรลังเพชที่อาจารย์ว่าเนี่ยพยามาลเขาถือว่าเป็นบรลังเข้ามาก่อนใช่ไหมแล้วเขามาตูอว่าเนี่ยอ่าสิทธิธรรมเธอมาแย่งเอาบลังใฉันไปท่านอยู่ตรงนี้น า, นานๆนะเอาบรรลังฉันมาเดี๋ยวนี้ใช่ไหมให้ลูกนี้ครับอ่าให้ลูกนี้เดี๋ยวนี้เออไม่ลูกได้ไงแล้ว อันนี้คือบาลังของเราใครเป็นพยานรือบอกว่าเป็นบาลังของเราก็ ช, ชี้ถึงถึงชี้ถึงนาไม่เทรนีใช่ไหมไม่ได้ <บา S 1> หมายของว่าใจของเราเนี่ยมันเป็นที่อยู่ของมันมาก่อนเป็นที่อยู่ของความไม่พอใจความอุดหีดความโมโหความเห็นแก่ตัวความขมขื่นความอะไรต่างๆที่เป็นทุกข์เนี่ยมันมีมาก่อนไม่ใช่หลายสิบปีหลายราย้อยหลา ย, ลายพันชาติเดียวละ แต่หลายสิบปีนี่ก็ดีอยู่นะหลายหลายร้อยหลายพันชาติดีเดี๋ยวคยิึดคองมาตลอดนะใช่ไหมที่จู่ๆภาวะรู้ตื่นเบิกบานมันเกิดขึ้นเนี่ยภาวะไอมารมันก็มาทวงคืนสินี่บัลลังเก่าของฉันน่ะภาวะพุทธเกิดขึ้นแล้วทำไงเกิดขึ้นภาวะที่รู้ตื่นเบิกบานด้วยอํานาจของขันติบาลมีกับอํานาจของ ปัญญาบรารมีใช่แต่ถ้ามันมีขันติบรารมีกับปัญญาบรารมีเนี่ยมันก็เข้ามายึดบาลังคืนเพราะฉะนั้นคุณธรรมสองตัวนี้คือความอดทนความาบากบันความพยายามเนี่ยจึงเป็นบรารมีที่สำคัญแต่คนเราจะทำอะไรถ้าขาดตัวนี้นะไม่สำเร็จ จะเรียนหนังสือก็ไม่สําเร็จจะทำงานก็ไม่สําเร็จจะทํางานอะไรก็ตามไม่สําเร็จเพราะขาดความอดทนแต่คนไหนมีความอดทนถ้าเกิดเจ้านายใช้เอาทุกวันว่าทุวันด่าทุกวันจิกขวัเอาทุกวันเนี่ยทนไหวไหมไม่ไหวใช่ไหมแต่ถ้าไอคนนี้มันมีปัญญาทนไหวไหมมันก็ไหวทีมันก็รู้ว่าไอนายคนนี้ไอจุดอ่อนของนายคนนี้คืออะไรใช่ไหมสื่อสาจุดอ่อนของนายก็เข้าถูกทางพอเข้าถูกทางนายมันก็พอใจนายเคยเบียดเบียนเคยด่าเคยว่า มันไปยกยอบอกปั้นนายเสนหน่อยในา ย, ายก็ยอมเลยใช่ไหมนี่มันใช้ปัญญาแล้วเห็นไหอดังนั้นเราจะเห็นว่าคุณธรรมสองตัวนี้สําคัญมากในตัวนี้นะทานาวิธธรรมะขันตีนะรรขันตีเนะี่ยดังนั้นจุดนี้ก็จึงว่าตัวอภยมามันยกกองทัพมาพระจญหรือมาเอาบาลังคืนหมายของว่าความคิดทั้งหลายเนี่ยเป็นปิชชาธรรม เป็นมารทั้งหลายคือเป็นปิศนาธรรมแต่ความคิดที่เป็นกลางๆงนะจะเป็นพุทธาก็ได้เป็นมารก็ได้แต่ต่อเมื่อความคิดนั้นประกอบด้วยอวิชชาประกอบด้วยอกุศลความคิดนั้นเป็นมารเป็นกองทัพมารทันทีแต่ถ้าเมื่อไหร่สามารถเปลี่ยนแปลงความคิดจากที่เป็นอกุศลเป็นอวิชชาให้เป็นวิชาให้เป็นกุศลความคิดนั้นก็กลายเป็นพุทธทันทีเลยไม่ใช่ไม่คิดอะไรนะพุทธไม่ใช่คิดแต่ว่าคิดไปฝ่ายกุศลนะฝ่ายที่เป็นวิชาก็เป็นกองทัพอะไร กองทัพทำดูว่ากองทัพเทพอีกเลยเออกองทัพเทพอ่าเอาละทีนี้เป็นกองทัพเทพก่อนเข้ากับกองทัพเทพทีนี้ทําไมเทพกับมานจึงมาเกี่ยวข้องกันทําไมแม่วาพูดกับมานถ้าหากมาพูดทางธรรมเลยว่าพูดกับมานใช่ไหมแต่ทางโลกเขาใช้ว่าเทพกับมานเพราะอะไรอาจารย์เคยได้สะกิดใจคํานี้ไหมคําว่าพุทนี่ตามความเห็นของผมแล้ว มันนอกเหนือจากภาวะที่มีที่เป็นน่มันเป็นนอกโลกไปเป็นโล ก, กุตละไปแต่ว่าคาว่าเทพกับมาร น, นี่เป็นยังอยู่ในโลกอยู่อยู่ในโลกหมายาว่าทางดีและทางชั่วแต่คาว่าพุทธะนี่คือไม่ดีไม่ชั่วถ้าชั่วนั้นคือมารถ้าดีนี่นคือเทพแต่ว่าแล้วพุทธะเนี่ก็ต้องนอกเหนือดีชั่วไปแล้วเป็นภาวะที่ยกเว้น เป็นโลกุตละไม่เกี่ยวกับโลกีทางดีและชั่วอะไรนะครับอ๋ฟังได้ฟังได้แต่ยังไม่ชัดเจนนะฮะในมวลคือคนในสังคมเนี่ยในโลกเนี่ยมันจะมีสองพวกใช่ไหมดีกับชั่วแต่ที่ผมถามเมื่อกี้มีอีกคนหนึ่งที่มันไม่ดีไม่ชั่วเนี่ยเขาเรียกอะไรน ะ, ะกินนอนกินกนะไรเยอะนะคนประเภทนี้เขาเรียกว่าถ้าเอาชนะมาได้เรียกว่าพุทธแต่ถ้าความดีเอาชนะความไม่ดีได้เขาเรียกว่าเทพ พรพวกนี้ต้องไปเกิดเป็นเทวดาอยู่คนดีไปเกิดเป็นเทวดาใช่ไหมคนชั่วไปเกิดเป็นมารวิสนรกแต่คนไม่ดีไม่ชั่วไม่เกิดทั้งนรกไม่เกิดทั้งสวรรค์แต่ไปเกิดไหนไหนถ้าไม่เกิดนรกไม่เกิดสวรรค์ก็ไม่มีที่เกิดเลยครับอ๋อไม่เกิดได้ไงก็ไปเกิดโลกุตละไงอ๋อโลกุตระไม่มีเกิดครับอนัแน่นอนก็คือเกิดเป็นโลคุตะ ใช้คำว่าอุบัติใช้คำว่าอุบัติก enfin ็แปลว่าเกิดเกิดก็อุบัติเนีภาษาสมมติใช้มาเไม่ผิดหรอกสมมุติในภาษาถ้าไม่เกิดไม่ไม่มีชาตะครับชาตะไม่มีชาตะถ้าเป็นโลกุณธะไม่มีชาตะเรียกว่าอุบัตินะมีแต่อุบัติมีแต่เจ้สุขเท่าเอาละทีนี้เมื่อพระุทธเจ้ามีอยู่ปางหนึ่งปางพุทธเจ้าปางชนะมานหรือปางสะดุ้งมานเนี่ยหรือปางไปจนมานพุทโธมันนะ จะมมีอยู่กลางปางสะดุกมานมีใช่ไหมอาจารย์ปาไหนปางสะดุก ม, ม, <อ>มานี้สะดุกมานมีไหมพุทธรูปปางสะดุกมานมีไหมน่าน่าจะมีครับไม่แน่ใจอันนี้แสดงว่าไม่ไแน่ใจปางสะดุกมานะ่ะเคยเห็นไหมปางไหนกลางสะดุงมานเพราะพระพุทธเจ้าตอนนั้นยังไม่ได้เป็นเจ้าพุทธเจ้าเป็นอะไร ยังเป็นเจ้าชายศิทัตถะเป็นเจ้าชายศิทธัตถะทีนี้ในช่วงที่เจ้าชายศิทธัตถะออกจากบ้านจากเมืองมาสแสวงมมฆะธรรมเป็นเวลาหกปีแล้วเนี่ยเอวันนั้นเกิดสงสัยว่าทาไมเราก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างมาจนหมดแล้วก็หกปีเราก็มีปัญญาไม่ใช่น้อยทําไมไม่บรรลุธรรมไม่เห็นธรรมฉันจะกลับไปบ้านดังนั้นกลับไปบ้านไปเมืองแล้วก็ พรอไม่ก็แก่เท่าฮิมพาลาหุนทิ้งกันมาตั้งแต่หกปีแล้วได้ออกบ้านมาแล้วก็กลับไปพวยฟื้น ฟ, นฟนูอานาประชาราชให้จเจริญรุ่งเ ร, องเรืองขึ้นมาอีกแล้วเราก็จะปกครองโดยทำอันนี้เรียกว่าความคิดที่เป็นพยาบาลพยาบาลเขาแท็กเออเนี่ยพยาบาลค่อยแท็กตรงนี้เองพยาบาลเขาแท็กแล้วก็เลยเป็นปังสะดุ้งมารตรงนี้เป็นตั้งสะดุ้งมานโอ้เพราะพทธเจ้าสะดุ้งความคิดตัวเองพอเมื่อได้สติเราคิดเรื่องนี้ได้ไงนี่เขาเรียกาปังสะดุ้งมารคือสะดุ้งความคิดของตัวเอง นเป็นพิจปริศนาธรรมไม่ใช่เป็นต่างไม่ใช่สะดุ้งมันคือสะดุ้งบางครั้งเราไม่น่าคิดขนาดนี้มีไหมโยมสินนวนบางครั้งมันคิดชั่วๆก็มีนะใช่ไหมมีอยู่ใช่ไหมสะดุ้งความคิดมีแต่โยมจําไม่ได้เอ๊กูกูเข้าวัดเข้าวามาตลอดทําไมกูคิดได้ขนาดนี้มีไหมกูก็จําสินจินทานมาตลอดทําไมกูคิดอย่างนี้ออกมาได้เนี่ยเอามาก็คิดไม่ใช่ไม่คิดนะ <c oughs> เออเราก็สะดุง้งอันนี้เราเล่าความจริงนี่เรียกว่าเราสะดุง้งความคิดของเราครับเออผมบวชมาตั้ง <c oughs> เกือบจะห้าสิบพษาแล้วผมคิดอยากสึกะวันใดวันหนึ่งขึ้นมา <c oughs> ผมก็เลยสะดุ้งความคิดแบบนี้ขึ้นมาก็เลยเป็นปลาสะดุ้งมาเออเรียกเป็นปลาสะดุ้งมา โยมก็บอกเออเราเข้าวัดฟังธรรมรักษาศีลมาตลอดแต่ให้ให้ญาติโยมคิดว่าทั้งหมดนี่คือยังไม่ตัดสิรูนะถ้าตัดสรู้แล้วจะไม่มีจะไม่มีจะนั่นนี่คือพุทธเจ้าระจญมารตามที่ถูกแล้วเรียกว่าไม่ได้เรียกว่าพุทธเจ้าผจญมารเรียกว่าเจ้าชายเจ้าชายสิทธัประผจญมารพุทธเจ้าไม่มีมานมีแต่ทาอะไรท่านไม่ได้ท่านเปรียบเสมือนว่า พระพุทธเจ้ากับมารท่านไม่ได้ฆ่ามารใช่ไหมมารก็ยังตามนองควานท่านอยู่แม้กระทั่งวันปณิพานก็ถูกมาร น, นั่นแหละนิมนท์ท่านในปณนิพานท่านรับตากมารไว้ก่อนว่าท่านพยายามนิมิตแสดงนิมิตถึงสิบหกครั้งให้พระอนุนทูนลนาลัคนาพุทธิอยู่ต่อไปแต่พรากฏว่าพระอนุ์ขาดสติพระพุทธเจ้าแสดงไอ้ทายแสดงสัญลักษณ์ให้เห็นว่าให้เธอเนี่ยนิมนท์เราจะถาคตอยู่ต่อนะถ้าไม่นิมนทร้มารมานิมนท์นะ ถึงส6หครั้งปรากฏว่าพระนพาาระอนุนก็ไม่ได้สติในที่สุดมานมันเลยนิมนเลยทีนี้พอมานิมนปับตามรักษีพระพุทธเจ้าเมื่อมีคนนิมนไมื่าคนดีคนชั่วก็ต้องรับหรือว่ามานไปนิมนว่าขอให้นิพพานภายในสามเดือนนี้แสดงโดยกิริยาไม่ได้พูดนะแสดงโดยกิริยาให้คิดเองเห็นเอ ง, เองอ ที่กล่าวอย่างนี้เพื่อจะกล่าวว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ฆ่ามาร น, นะแต่พระพุทธเจ้ามานั่นแหละเป็นตัวส่งเสริมบารมีพุทธเจ้ามารนั่นแหละถ้าเอาชนะแล้วก็จะเป็นตัวส่งเสริมก็กลายเป็นความดีถ้าเราทําอะไรก็ตามถ้าไม่มีอุปสรรคเนี่ยมันจะมีกําลังใจไหมไม่มีกําลังใจทุกวันที่เราต่อสู้เนี่ยเพราะมันมีอุปสรรคตัวอุปสรรคก็คือมารแต่ถ้าคนไหนเอามีขันติความอดทนด้วยมีปัญญาด้วยตัวอุปสรรคกลายเป็นอะไรยากําลังใช่ไหม ชีวิตคือความฝันปัจจุบันคืออะไรนะชีวิตการต่อสู้ใช่ไหมอ่าชีวิตคือการต่อสู้สตูคือยากําลังอันนี้คือมือนกันถ้าหากว่าเราเป็นนักต่อสู้มีความบทนุนมีปัญญาแล้วอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงมันเป็นตัวกําลังแต่ถ้าเราไม่มีความบทรนไม่มีปัญญาอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงเป็นตัวอะไรเป็นตัวมานขัดขวางทางชีวิตนะเราก็ยอมแพ้เราก็ฆ่าตัวตายกินยาตายปล่อยตัว ไปตามชะตากรรมในที่สุดก็ยอมแพ้ชีวิตยอย่างนั้นเขาเรียกว่ามารปล่อยให้มาร ย, ย่ํายีนะนั้นเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าชงอารชนะพญามาร ว, สวัสดีแต่ผมติดใจว่าทำไมต้องใช้คาว่าวัสวดีมารเพราะมารชั้นสูงสุดชื่อว่าปรามินติวัสวดีมารใช่ไหมอันนั้นชื่อเต็มเนี่ยปรานิมินต์ ว, สวัสดีแต่เขาเรียกที่มันยาวเกินไปเขาเลยเรียกสั้นๆว่าวัสวดีมารแต่ชื่อเต็มเขา สารนิมิตวสวดีชื่อมารตัวนี้เรียกว่าพญาเนี่ยคือมารชั้นสูงทําไมจึงชื่อมารชั้นสูงเพราะในตัวเราเนี่ยมันมีขุมนรกอยู่กี่ขุมใหญ่ๆอยู่หกขุมนรกเกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจทีนี้ประ ส, สวรค์ชั้นที่หนึ่งหรือสวรรค์เป็นหกชั้นก็อยู่นี่นรกหกชั้นก็อยู่ที่นี่แหละนะ อ่านั่นหชัน้นทีนี้ชั้นสุดท้ายก็คือชั้นที่หนึ่งเรียกว่าอะไรจาดูมหาราชใช่ไหมชั้นที่สองเรียกว่าดาวดึงชั้นที่สามเรียกว่ายามาชั้นที่สี่เรียกว่าดุสิตชั้นที่ห้าเรียกว่านิมรอ่านิมนารีชั้นที่6ตประระนิมิตาสวรีนี่เป็นชั้นที่หคือพุทมารที่อยู่ในใจนั่นเองอ่ามากรกับพุทธะอยู่ร่วมบันลังกันอยู่ที่จิตของเราคืหมายความดีกับความชั่วเนี่ย เกิดจากใจถ้าพูดภาษาธรรมะน่ยถ้าพูดภาษาสมมติก็คือมารกับพุทธอยู่ในบาลังเดียวกันอยู่ที่จิตบางครั้งถ้าเรามีขันติมีปัญญาพุทธะเขาเข้าไปนั่งเมื่อไรขาดความโบทวนขาดปัญญามารก็เข้าไปนั่ง เออนั้นทีนี้เราจะอนุญาตให้เขาเข้าเขาเข้าไปนั่งอ่ะเดตนี้ไม่มีใครนั่งที่ประเทศอินเดียตั้งไว้เฉยครับตั้งไว้เฉยเอาเป็นปิดเอลวด้อมไว้ไม่ให้คนเข้าไม่เขาบอกว่าว่างจากความพอใจในความไม่พอใจเป็นปิดสณธรรมเป็นพิที่ใจของทุกคนนะแต่ในพุทธะเนื้อปิดสณัคือความว่างนะพุทธะคือความว่างพุทธะไม่มีตัวตนแต่ว่าคนสามารถค้นพ้นพุทธะได้นะ เพราะนั้นพอในว่าอาจารย์เนี่ยหมดเวลานล้วเนี่ยเอายังไม่ได้ตัดสรุอะไรนี่ยังยังไม่ค่ำแล้วเนี่ยตอนนี้ยังไม่ค่ำเลยยังไม่ตะวันตกดินเลยเพราะว่าพอตะวันตกดินปุ๊บพญามารก็พ่ายแพ้ไปนะว่าพระพุทธเจ้าถึงตัดสรุแล้วอันนั้นก็คือเป็นการชนะครั้งแรกในแปดครั้งที่เอามาสวดเป็นบทพระหงษ์ที่บทชนะมาร น, นะนะเป็นชนะชัยชนะครั้งแรกของพระพุทธเจ้า อ่าต่อไปก็ครั้งที่สองนะเป็นหัวข้อที่สองไม่ทันแลอวจันเดี๋ยวเวลาน้อยหมดแล้วอาวันละหัวข้อแล้วพรรษานสงสัยจะไม่จบแล้วนี่นะจะไม่จบไม่ถ้าเกิดจบไึ้นไปก็ไม่ได้กันเทศทีอ่าลานท่าไหร่กไม่เส็จก็เป็นนว่าต่อไปครับพระพุทธเจ้าก็จะตัดสรูุปอะไรกันเนาะอยู่ไว้ตรงนั้นกันเลยต่อไปก็จะตัดสรุปก็ยังนะเดี๋ยวอย่าเพิ่งนี่อย่าเพิ่งลุก เออยังไม่จบไม่หมายถึงว่าเมื่อพระพุทธเจ้าได้ก่อนที่จะชนะมารเนี่ยก่อนหน้านั้นท่านได้รับคำบรรทุกปยาจากใครในในวันนั้นน่ะอ๋อได้จากนางสุชาดาครับครับแล้วนางสุชาดารู้ได้ไงพุทธิยามาเกิดตรงนั้นคือนางสุชาดาเนี่ยเคยอธิษฐานไว้ว่าขอให้ตัวเองเนี่ย ถ้าจําไม่ผิดอธิษฐานสามข้ออะไรนะคือให้ได้สามีที่ดีนะแล้วก็ให้ได้แต่งงานแล้วก็ให้ได้บุตรที่ดีทีนี้ก็คําอธิษฐานนี่ก็ได้สําเร็จผลแต่อธิษฐานกับใครอ่ะอธิษฐานไว้กับต้นต้นไทรนะต้นโพว่าถ้าได้ดังที่อธิษฐานทั้งสามข้อเนี่ยจะเอาข้าวมาทธุปญาติซึ่งเป็นข้าวที่ละเอียด ปนีตมากในสมัยนั้นมาถวายเทวดาพอเชื่อว่าเทวดาจะสิงอยู่ตามต้นไม้นะทีนี้ตอนนั้นพระพุทธเจ้านี่บำเพ็ญบารมีมาก็หกปีตั้งแต่ออกบวชแต่ก็ยังไม่ตัดสรูุจนกระทั่งว่าปัญญาวคีที่อุปถาคนนี้หมดมก็เลยมีโอกาสได้อยู่แต่ละพังคนเดียวก็เลยมาพิจารณาใช้ปัญญาเนี่ยว่าทางที่ทำมาเนี่ยจน ผอมแห้งแล้วก็ลูบไปที่แขนขนหล่นไปตามมือเนี่ยไม่ใช่ทางแต่สรูการทรมานตนนั่นนะ่ะต้องเป็นการใช้ปัญญาพอคิดได้ดังนี้ก็เลยมีผิวพันธุ์มีปัญญามีปิติขึ้นมาก็แสงแลัศมีเริ่มออกเรืองตรงนั้นนะ่ะนะทีนี้ก็นั่งอยู่ตรงใต้ต้นทีนี้นางคนใช้ของนางสุชาดานี่มาเห็นพอดี อ, อมาเห็นก็เลยโอ้หนี่เป็นเทวดา ที่ที่ที่บังเกิดขึ้นก็เลยกลับไปบอกเจ้านายทีนี้พอกลับไปบอกนางชุตชาดาผู้เป็นเจ้านายเนี่ยคนใช้นี่นะนางชุตชาดานี่ก็เลยจัดแจงสั่งคนใช้นี่ให้รีบทํำข้าววัตถุประยดัดแล้วก็จะไปแต่ไหวซึ่งตอนนั้นก็เป็นตอนเช้าน ะ, อะของวันนั้นแหละวันเพ็ญเป็นหกครับผม นั่นแหะจึงได้ทานข้าวมัตคุปยาธราชของนางสุชาดาแล้วก็มีเลี้ยวแรงมพอมีเลี้ยวแรลมแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่ที่นั่นเป็นที่แัสรู้นะข้ามแม่น้ำในลัญชลาไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วจึงไปเจอต้อนโพ่ไอ้ได้ข่าวว่าตอนที่ถวายข้าวมัตคุปยาธิราชถวายด้วยถาดทองคำใช่ไม้มครับผ ม, มทีนี้ ถ, <า>ถวายทั้งถานเลยอะ่ะ ถวายทั้งถาดเลยเออแล้วนี่พุทธิเออเจ้าชายทิฏฐานทําไงเจ้าชายทิฏฐานนี่ก็ไปอธิษฐานนะอธิฐานเ อ, อเมื่อทานเสร็จเรย่ม้อยแลยนะเอาถาดทองคํานี้ไปลอยแม่น้นําเนรัญชาานี่นะ อ, อือน้ํามันไหลยอยู่ทีนี้ก็อธิษฐานว่าถ้าเราจะได้ตัดสลูเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าออืขอให้ถาดนี้ลอยทวนกระแสน้ําขึ้นไปอืเพราะฉะนั้นเมื่อถาดหลุดมือออกไป ผาดก็วิ่งหมุนหมุนหมุนทวนกระแสน้ําขึ้นไปอแล้วไปจมลงี่จมลงทําให้พระพุทธองค์มั่นใจว่าจะได้ตัดสรุปเจ้าพุทธเจ้าแน่นอนไปจมลงที่ไหนกางแม่น้ําในลัญชลาแล้วก็เป็นถูกหัวพญานาคเองไม้พ้นพญานาคเรื่องมันเลื่อยเชื่อยายเชื่อแช่ไปเลยนั่นเองยาวนาคตอนนั้นก็เป็นนาคที่อ่าชื่ออะไรนาคกันชื่ออะไรนะอจําไม่ได้นะครับนี่ชื่ออะไนาค กาลนาคเออกาลนาคอาจารนาคหลับตั้งแต่สมัยพระพุทธะซื่อกสปะนะอพระพุทธเจ้ากัสปะมาตัดสรูุนี่ก็อธิษฐานถายเหมือนกันอแล้วก็ถายก็จมลงไปถือหัวเหมือนกันก็ตื่นขึ้นมาทีหนึ่งแล้วก็หลับต่อไปใช่ไหมเพิ่งหลับไม่นานนี่เองเพรว่าพระพุทธเจ้าจะมาตัดสรูุ้อีกแล้วนะหลับต่อยาวอีก ทุกวันนี้ก็ยังหลับอยู่นะนักปฏิบัติเราใช่ไหมนั่งหลับตาอยู่งั้นจะไม่ฟื้นทีไหนอาจารย์บอกว่าตื่นเถอะงงคือว่าอาจารย์มาแล้วนะพออาจารย์ไปหลับต่ออีกนะนี่ก็เรื่อพวกนั้นพวกที่ปฏิบัติสมถะเรียกว่าพญานาคผู้ดีเจ้าเนี่ยทำสมถะมาหลายหลายภพหลายชาติมากครับแต่ว่าได้ธาตุผู้ดเจ้าได้ธาตุธาตุมาจากคําว่าธาตุครับคนเราเนี่ยมันมีธาตุอยู่สองธาตุธาตุแท้กับธาตุเทียม เคนที่เป็นธาตุแท้เขาเรียกว่าธาตุทองคำคือธาตุแท้อทีนี้เขาจะบอกว่าถาดมันก็ลุยเขาบางนิดหนึ่งก็ไปเรียกว่าเขาจะเรียกว่าธาตุเนี่ยมันจงแช่งกึญไฟใช่ไหมบางนิดเดียวเรียกว่าถาดคนเราจะบรรลุผลสําเร็จได้มีมีอยู่ลักษณะเป็นคนจริงจังครับจริงจังเป็นคนจริงจังแล้วไปอธิฐานว่าถ้าข้าพเจ้าจะ สามารถตัดกิเลสได้ใครกิเลสหลุดเขาให้ถาดไปนี่จงลอยทวนกระแสะขึ้นไปใช่ไหมถ้าข้าพเจ้าไม่สามาร ถ, ถรที่จะตัดกิเลสได้ใครกิเลสขาดขอให้ถาดไปนี้จงลอยตามกระแสะสงสัยตรงนี้ครับหลวงพอ่อสงสัยตรงถาดทวนกระแสนี่ถ้าเป็นปริศนาธรรมแล้วไม่ไม่ต้องปิิศนาอาจารย์ลงไปอธิษฐานดูดิเอาถาดไปที่แม่น้ําเจ้าพะยายนะถ้าข้าพเจ้าจะไม่ตายแล้วใช้ขอให้ถาดไปนี้จงลอย ทวนกระแสอทวนกระแสถ้าเขาไม่เจ้าจะตายแล้วไซส์ขอให้ถายไปนี้จงมจมหมดเออร็วว่ามันไม่ไหลไม่เนี่ยมันจมนั่นหมายความว่าท่านเป็นปริศนาธรรมว่าในอธิษฐานบารมีเนี่ยนะอธิษฐานบารมีคือการอธิษฐานคนที่จะอธิษฐานทําอะไรทั้งเสร็จคนนั้นจะต้องทวนกระแสจิตของตัวเองนะถ้าคนไหนตามใจตัวเองจะทําอะไรไม่สําเร็จ เพราะจิตของยิ่งคนไหนยิ่งตามใจตัวเองก็ยิ่งอ่อนแอนะครับยิ่งแต่เหมือนกับคนลอยตามน้ําเนี่ยมันจะจมลูกเดียวไม่ต้องไหว้นะแต่ถ้าคนไหนไห ว, ไว้ทวนน้าเนี่ยคนนั้นก็จะแข็งแรงคนไหนก็ะทำคนทวนกระแส จ, จิตของตัวเองคือมันอยากจะทำํำนี้ไม่ทําตามจะทําสิ่งที่ไม่ดีนะในสิ่งคือตามบุริจิตของเราเนี่ยมันชอบในสิ่งที่ไปตามตามสบายครับสิ่งไหนที่ว่า เป็นการสบายมันมักจะเป็นสิ่งที่ลงต่ําลงไปท mm hmm. ิ้งไหนที่มันทวนขึ้นเนี่ยมันมักจะลําบากเช่นขึ้นภูเขาไงนะจะขึ้นลําบากอันไหนก็ตามในสิ่งที่ดีเนี่ยเรามักจะฝืนครับฝืนจิตฝืนใจตัวเอง mm hmm. แต่สิ่งไหนที่ไม่ดีมันไม่ต้องฝืนครับมันไหลไปเลยเ mm hmm. พื่นอนชวนไปขินเล้าไปเล่นไพ่ไปสนุกสนานไปได้ทันที mm hmm. แต่ชเพื่อนชวนไปวัดอะ โอ้โหไม่ว่างเลยนะวันนี้นะมีนัดตรงนั้นมีอะไรตรงนี้มีเพือ่อนมาตรงนั้นเยอะแยไปหมดแต่วันนี้โยมทวนกระแสมาตั้งแต่น่นทางแคลิฟอร์เนียนะทวนมาไกลขนาดไหนแล้วที่คนอยู่ใกล้เวกัสเนี่ยไม่ขี่ไมไค์นะทวนมาไม่ได้เลยโยมอยู่ห่างเป็นตั้งหลายร้อยไมล์มาได้เห็นหมอันนีน้เขาเรียกว่าไกลตัดสรูแล้วไกลตัดสลูมีธาตุแท้ ว่าจะเมืดแล้วอมีธาตุแท้อยู่ในใจนะครับถ้าคนเวกาสเนี่ยธาตุแท้น้อยไปหน่อยอยู่ใกล้ๆนก็ได้มากันนะอพแสดงว่าพระพุทธองค์ท่านก็ทราบข้อนี้ดีก่อนที่จะตัดสัตวก็ต้องไม่ตามกระแสไม่ตามเลยต้มงวนจิตใจของตนเองในวันปฏิบัติทวนกระแสจิตของตัวเองจึงได้ตัดสัตวทีนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยที่ท่านตัดสรู้ว์ท่านไม่ทําตามอารมณ์ตัวเองมันอยากจะลุกกับลุกมันอยากจะไปกัไปมันอยากจะกินกับกินมันอยากไม่ครับมันอยากจะลุกลองไม่ลุกมันดูจะว่าไงอื ต่อสู้มันดูว่ามันจะตายไหมนั่งกับประธานเนี่ยเอาจนถึงเลยว่าเอาแล้วดุกมันจะแตกกันนี้ฉันไม่รู้ปรากฏว่าจิตของเราเนี่ยเวลามันสู้ถึงที่สุดแล้วจิตไอความที่มันอยากเนี่ยมันก็ยอมนะความอยากมันก็จะยอมร่างกายพวกมันแค่ไขมันเองพรานั่งไปนานๆมันก็บอกมันเองนะแต่จิตของเราเนี่ยบางทีนั่งไปยังไม่ทันปวดอะไรเลยไม่อยากจะไปแล้วไม่รู้อยากกี่หัวเนี่ยอยากจะลุกนีเนี่ยแต่ทั้งที่ร่างกายมัไม่ทันปวดเลยนะ ตัวนั้นดังหากที่จะไปทวนนะทวนความรู้สึกอยากของตัวเองแต่ร่างกายของเราเนี่ก็ปรับไปตามเรื่องนั้ น, นท่านอธิษฐานว่าแม้เนื้อเลือดเหงือเอ็นของเราจะเหื่อแห้งไปกระดมแม้แต่กระดูกของเราจะแตกหักก็ตามเราจะไม่ลุกที่นี่ถ้าเอาชนะใจไม่ได้แต่บางคืนท่านเอาชนะใจท่านได้ก่อนท่านก็เลยคำอธิษฐานก็เลยสําเร็จครับ นี่เขาเรียกว่าคำมาธิฐานคือทวนกระแสจิตได้สําเร็จมันหมายความว่าเอาถายไปรอยน้ําแล้วมันมันไหลทวนกระแสเป็นไปนไม่ได้หรอกนะมันผิดธรรมชาตินะนะเป็ น, นเป็นปริศนาธรร ม, รรมทุกทุกอย่างถ้าคนมีปัญญาจะรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นปริศนาธรรมเพราะว่าการที่จะพูดธรรมะเลยมันพูดไม่ได้ต้องอ้างอิงด้วยเป็นปุคลาทิฐานปาฆราทิฐานถูก อ, อีกส่วนหนึ่ ง, ก, ง ก, ก็เป็นธรรมาธิฐานดังหลวงพ่อว่าภาษาคนภาษาธรรม ก็้องอย่างก็สองดางแต่ทีนี้ติดใจว่าทําไมนาคเขีนชื่ออย่างอื่นมีเยอะแยะไม่เอาทําไมต้องชื่อกาลนาคเลยเพราะว่าเวลามันเกี่ยวเนื่องด้วยเวลาครับกาลนาคในการกาละแปลว่าเวลาเอกาลนาคเขียนยังไงใครเคยเขียนบางยมด้อยเคยเขียนชื่อกาลนาครืึบ่าเขียนยังไงละลอลิงหรือละลอยจุลายมด้<ะ>อยจวอักษรอักษรจุลามันเขียนผิดเนี่ยมาปรับตกเลยนะฮะน่านเห็นไหม โยงคนไหนรู้บ้างว่ากาละโดนเขียนยังไงสงสัยรอจุลาหนัานสงสัยอยู่นี่ยโยมต้วยสอบตกนั่นเนี่ยโจอกอักษรศาจุลานั้นเนี่ ย, ยโย้ยยังเขียนกาละยังไม่ถูกเลยต้องถามวิชีวิชีรู้วิชี ร, ช ร, ชรออะไรอ๋อไม่ทราตกหนักเข้าไปอีกนะรอ <c oughs> จุลากาละที่แปลว่าดำอะแม่น้าดำกาละศิลเนี่อือใช่ไหมอ๋อไม่กาละแปลว่าดำ แล้วเราเรียกว่าแม่น้ํากาลาัยศิลิจังหวัดกาลาสยศิลิใครเห็นลอยลิงบ้างละ่ะลอยจุฬาใช่ไหมเมื่อก่อนเราเรียกประเทศเรียกจังหวัดกาลาสยศิลิว่าจังหวัดที่มีแม่น้ําดำเมื่อน้ําไม่ดํามื่น้ํามันใสจนกระทั่งมันเขียวเขาเรียกว่าน้ําดําครับผมก็สงสัยนะว่าลอยลอจุฬาจริงเปล่าลอจุฬาเอาไปลอยด้กาลัยแคือหมายถึงว่าถ้าคนเราเนี่ยไปติดยึดในสมาธิแล้วเนี่ยจิตมันไม่ปล่งไม่ใสแล้วจิตมันจะมืด เมือ่อถึงแต่ว่ากาละเดะาดนะแหละเดาก็าคนที่ไปติดสมาธินีมันจิตมันจะมืดจะบอดได้เพราะอะไรเพราะท่านไปก่อนที่ท่านจะแยกตัวออกมาท่านไปเรียนกับอาราดาดาบทอุตัศกดาบทใช่ไหมได้ถึงสมัยบัติเจสมาบัต8แปดสูงขนาดไหนสมัยนั้นนะท่านก็ยังออกมาเลยอันนี้เป็นมนต์ดำอ่ะ เป็นกาเป็นไสยศาสตร์นะนี่ว่าอันนั้นเพราะทาะ่านก็แยกตัวมาได้ถึงสมบัติสูงสุดแล้วอะ่ทะท่านก็ยังไม่พอใจว่าอันนี้ไม่ใช่ทางแต่สรู้เพราะเป็นตัวที่ทําให้จิตของเราไม่โปร่งไม่ตื่นไม่รู้ไม่เบิกบานเราก็จึงมาใช้ตัวกาละเพราะฉะนั้นคนที่นาคเป็นชื่อของอสมรฐานครับแต่ว่าเท่าพ่อมาใช้ทางปัญญานี่ว่าครุษเมืองไทยแล้วเอาตัวครุษเป็นอะไรเป็นตราของประเทศแทนที่จะเอานาคใช่ไหม เอาตัครุฑคุ่เป็นชื่อของอะไรพยาครุฑตราครุ่นอะใช่ไหมตราครุ่โยมสีนวลทำไมเจีอครุ่นม า, มาเป็นตราของประเทศเพรเป็นชื่ออะไรเพ ร, ะเราะว่าครุ่มันจับนักเพราะเป็นพยาครุ่พยาครุ่หมายถึงมันบินก็ได้อยู่บนบกก็ได้อยู่บนฟ้าก็ได้ลงน้ําก็ได้ หมายความว่าคนมีปรรัญญามันปรับตัวได้ทุกสถานการณ์อ่าคนมีปัญญาปรับตัวได้สมกันอยู่ไในที่ไหน ก, ก็ได้คนมีปัญญาเพราะฉะนั้นชื่อครุฑเป็นชื่อของปรรัญญาเราจึงไม่เอานาคไงนาคาแป็ว่านาคบอกว่าสมถ t h คือคนติดสงบติดดีเรียกว่านาคแต่คนไม่ติดสงบไม่ติดดีแต่ใช้ท่านความดีความสงบความไม่สงบเป็นเครื่องมือในการพัฒนาปาัญญาเรียกว่าครุฑคือปรรัญญา นะะเพราะฉะนั้นอันนั้นเราจริงประเทศไทยเราเป็นผู้ศาสนาเลยเอาครุฑมาเป็นแต่ต่างกับประเทศไทยเออประเทศินเดียนะอินเดียเอาอะไรเป็นตราของประเทศเจ้าอินเดียทําทําเอ่อตาของประเทศอินเดียคือตราอะไรถ้าในตังเขาคือธรรมจักจำได้ไหมอ๋อไม่ใช่อันนั้นเตี๋ยพคือตราสิงเงาะเสาเจ้าอโยธภัณตาสิงเออสิงหัวสิงคือตราอันนั้นไอสิงคืนสัญลักษณ์ของอริยสัจสี ได่แก่ได้แก่สิ่งที่มองไปสี่ที่เลยนะเอาสิงเป็นตัวหัวหัวเสาพระเจ้าโสกคือตาสิงจนกลายมาเป็นตราของประเทศอเดียทุกวันนี้แต่ประเทศไทยเราไปเอายานปัญญาคือเอาคุดเลยเหนือกว่เาเหนือกว่าสิงอีกนะะเนาะก็ได้แก่นิพานครับปัญญเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าตราคุดนี่คือตราของนิพานนั่นคือสัญลักษณ์ถ้าคนไหนมองไม่ถึงก็ไม่ไ ม, ไ, มไม่รู้นะครับทำไมต้องเอาตาคุดใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายวันนี้จะมาภาพทั้งสองได้สนทนาธรรมกันในเรื่องของพญามารมายาที่ลาชในพาหงก็ครบคิดว่าครบทุกแง่ทุกงงมุมนะไม่ว่ามุมของส ม, มุติไม่ว่ามุมของปรมตัตไม่ว่ามุมของภาษาคนมุมของภาษาธรรมไม่ว่ามุมของปุคร า, านิฐานมุมของธรรมานิฐานครบทุกจุด น, นะก็ขออนุโมท น, นาสาธุในความตั้งใจของญาติโยมทั้งหลาย ที่ได้มีโอกาสมาได้รับยินได้ฟังวันนี้เพราะว่าการที่เราจะมีโอกาสฟังเนี่เป็นของยากคุรพุทธชันตัสว่ากิโฉมนุสสปฏิลาโพการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเรื่องยากนะที่ฉังมัจจานะชีวิตต่างเกิดมาแล้วจะให้อยู่อย่างสะดวกสบายไม่ผีสิงผีรมก็ยาก กิจฉังัตต์กิฉังสัธรรมสมณังถ้ามีโอกาสได้ฟังอาจฟังธรรมเกิดสติเกิดปัญญาเกิดความเข้าใจก็เป็นเรื่องอยากได้กิ่โฉพุท ธ, ธานะมุปปถุการปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงธรรมก็เป็นเรื่องอยากทั้งสี่อย่างนี้คณะยากในพุทธศาสนาและนั่นก็ท่านทั้งหลายได้ทําสิ่งยากทั้งสี่ประการนี้อย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดขึ้นได้ก็เชื่อว่าโชคดี <c oughs> ก็ข อ, อนโมทนา กิสาธุในความตั้งใจวันนี้แล้วก็ขอให้นำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังวันนี้จงเป็นสุตามยปัญญาและนำไป